คนาี่จะมาเลารื่อาวได้อธิบายเขา้าไปดูเขาก็คงจะเป็นคนคนหน่ซึ่งก็องจะคาอนข้างอัตกะขัดสมเนี่ยนะคะแต่เขามีความตั้งใจก็บอกคุณช่วยอธิบายเรื่องราวอันนี้ผมฟังทีเซ่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรก็นแรกที่ฟังนะคะเขาบอกเขาไม่คิดเลยว่าพระเจาจะต้องทาอะไรมากมายขนาดนี้ก็เลยบอกว่าถ้าพระเจ้ามชาติแรกเนี่ยจอเหลือเกินเขาก็จมาด้วย ซึ่งอาจจะยอมมากกว่าเราเสียเแต่ด้วยความที่ดีความกระตัยที่้ใหญ่นะคะเราแม้เราที่เห็นเคยอย่างตรนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะน้อมและทาได้สิ่งที่เราเกิดมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความแากของคนมากมายนะคะอย่างพวกที่ศาสตรเราเริ่มชื่อทแม่ที่เราได้รับรูกันซึ่มก่อใหน้าที่ต้องสร้างกรณีมาก่อนหน้านี่ต้องเป็นคนยากจนแม้เราที่เป็นคนยากจนอยู่ เราก็เห็นตัวอย่างของเทคโนทธยีสาสามารถเอื้อตั้งค่าสุดท้ายสร้าสถานภาพจากย่ า, กการ้ยย่าแผ่นเี้เป็ น, ใ น, ในสุขความเปผู้ของจะเห็นว่านั่นคือสิ่งที่สร้างสมที่ถึงที่ทํามาเพราะฉะนั้นก็เลยบอกกับชายผู้นั้นว่าเวลาทุกคนมีเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเราแก้อะไรไม่ได้แต่ณวันนี้ณจุดนี้เราจะทําให้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ได้มีตัวอย่างให้เห็นแล้ว แม้กระทั่งคุณจะตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็อนโมทนาคป็นแย่งิ่งเพราะสิ่งที่ตั้งแต่ท่า้พู้นั้นเนี่ยทความดีแต่มากมายมีสิ่งใดต่างๆเนี่ยด้วยเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะทำให้เราพิยอทอซึ่งถ้าคนสนใจเนี่ยไปอ่านหนสืโนอโคนบิทใจนะคะจะบอกอีกนิดหนึ่งขณะที่เรามาฟังางพูงดในบุศนหรือในใที่บุศนที่เกิดขึ้น ขอที่เราตั้งจิตปรารถนาคืออธิษฐานว่าขอความทรรลุสูญจะเป็นแบบไหนเรื่องตามอธิยาศัยโภมีสายสามสายแผ่นสสายอีกขกันคือสาวกโภทซึ่งสาวกโภทีก็ถึงแยกว่าเป็นสาวกธรรมดาหรือว่ามหาสาวกหรืออัครมหาสาวกต่อมาก็ปัญเจกโภทีแล้วก็สัมมาสังคพิซึ่งโภทีแต่ละสายพันเนี่ยพิธีการสายทัน ไม่เหมือนกันการโผลกรารดูรแลรักษาก็ไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเหมือนกันหมดดังที่มีกเรื่อกล่าวว่ากษัตริย์บครามแพทย์โสู่ส้นทางคนรายทุกกลุ่มทุกโหมเมื่อปริภูมิผานแล้วหน่วยกันหมดคือสภาพไพ่ผานเหมือนกันหมดแต่เส้ น, านทา ง, งที่จะสูสประตูที่ผ่านข้อจำกัดเนื้อสายที่ที่จะเรื่องเอา น, นะคะข้อจะทำหน้าสือเรื่องนี้เนี่ย เรื่องก็กไม่ได้ดว่าจะเขียนว่าสิ่งที่อยากจะบอกแต่ก็ได้ยินตอนทอนเขบอกว่านังสือีเนี่ยมีในพระไตรปิฎกหรือเปล่านะคะก็เกิดความคา้างคาบางคนก็สงสัยก็เลยตอบผู้ที่มาถามว่าคำทีอันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบ อ, อนุมายก็ได้มาจากสมัยของบรงารนะคะและสิ่งหนึ่งสาร ะ, ะประหารที่สำคัญ เรา ท, ที่ง่ายดูว่านั่งจุดนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยการเวลาก็มีมายางงารหาเพื่อนเพนเพื่อนไปลาได้ชาติที่เรารับรู้กันคือสมุทรท่าอาเป็นส่วนใหญ่เราคิดบ้านไหมว่าชาตินั้นที่สบมบูรณ์ที่ได้รับท ร, รัพยากรสิ่งของนั่งนี้จะต้องมีมายางงานมากมากเพราะฉะนั้นพอเห็นธรนรมนีเร่นี้ซึ่งได้รับจากท่าดาสมุทรเห็นว่ามีประโยชน์มากมายข้อแต่และเรื่องแต่ละราวเานี่ยแสดงถึงการสร้างมริมามายางงาน ก็แสดงถึงตัวอย่างวิธีคิดวิธีทํานะคะเพราะฉะนั้นขออ่านให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่อยากจะบอกคุณอย่างไรบ้างก็เปิดดูสิคะสิ่งที่อยากจะบอ ก, อ ก, บอกด้วยคอามที่เจ้าได้มีโอกาสอ่านหนังสือชื่อเรื่องสังข า, ารธมปา่าโดยได้รับความเมตตาจากท่านปะคูธรมทรวิมรันติโกเจ้าอาวาสวัฒนแดงเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เร่องราวถึงเรื่องราวเป็การใกก่อนที่สิบผสมขายแสงค่ะโดยเป็นเรื่องขอ ง, งานายสัเพาวน่งแรงมารดาไหวา้ข้ามมหาสหมุต์ให้น้อมเอากุศลที่เกิดขึ้นตั้งความกาถนาว่าเราตัดสรูแล้วจะให้ผู้อื่นตัดสรู้ด้วยเราหลุดพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นทำด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยอาจเป็นชาติแรกของข้าพุทธิศาสนิตนิยาพุทธิศาสน ได้ดำเนินเรื่องจนกระสุนเป็นพระสัมมาสัมพธธุทธเจ้านั่งโพบัณรังมืนพุทธพยาเรื่องสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดวิธีการสร้างบา ร, รมีทั้งสิบอย่างหักแน่นอดอทนนั่นมงไม่หวั่นไหวเพื่อการบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยมหากรณาที่คุณที่จะขนสัตว์โลกออกจากวัฏทุกข์มหากรณายิใหญ่จริงห น, หนอ แม้บริญาาไปแล้วแต่ถ้าทําคําสอนที่ยังอยู่ครบถ้วนเป็นสิ่งที่เราทุกหลายได้น้องนําระธทําคำสอนตลอดตจนแนวทางที่เป็นตัวอย่างผ่านเรื่องราวจากหนังสือเรื่องนี้ตลอดจนที่ได้ปรากฏในชาน 5, 10, 10, 10, 10, ติหลัก5 4 7ชาติเป็นต้นให้เราได้น้องนํามาปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ข้างปวงตามงทางที่พระองค์ได้เสด็จไปแล้วเระ่องีพระ อ, อนันตสาวกที่ได้เสด็จตามไป สิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือ้ีคือศรัทธาที่มีอยู่ตั้งมั่นมันคงมากขึ้นและได้เห็นแนวทางที่ปฏิบัติที่สามารถน้อมนามาเป็นแบบอย่างแม้เพียงน้อยนิดที่จะกระทงตารได้ก็มีคุณค่ามากที่จะเป็นสิริเดินทางตากที่พร ะ, ะเจ้องค์เสด็จไปไดีแล้วพาะเจ้าให้ขออนุมาถึงความยาวนานของกา ร, ร้างบารมีมายาวนานกว่า20่สิบสมแสงกา คือระยะเวลาที่โรกแฝงกับไปเป็นจานวนเท่ากับ20คูณด้วยหนึ่งและตามด้วยเลขศูนย์อีกหนอี่สิบศูการแสก็คการแฝกลับของโรคแสนไปแต่พอนที่เราเทียบเคี่ยมได้ว่าสิ่งที่เรารับทราบน้อยมากอ่านออกมาได้ว่าเรื่องเราการสร้างบารมีเกียวกับเรืที่ปกรูงโรคทั้งหมดแต่สิ่งที่เราทราบเทียบได้แค่รายในก้องที่ถูกน้ำและแต่งตินเท่านั้น ยิ่งคิดยิ่งชื่นนาก็ยิ่งได้ความซาบซึ้งในพรมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ที่เราเหลียวไปนี้ในทิตใจทั่วทุกทิศก็หาใครที่จะรักและกรุณาต่อสัตโลกเช่นพวกเราใ้พีนี้หาไม่พบเลยที่ไ่เหดังกล่าวเขาก็ยิ่งเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท <ock> e <mañana> ี่ทานคณสงฆ์กเทพมหานครที่ได้ยังเรื่องราองค์กรไกลของทนาของพระองค์มาสัการใ้เทศการทกศิกาศีต้มา ได้ขยายผลต่างกอบเป็นสืแ เ, เล่มนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่อยากจะบอกเมื่อถา ท, า ท, าทา่านการทำหนังสือเล่มนี้นะคะตั้งแต่แต่ละขั้นตอนเนี่ยจะมีการคิดไว้แต่ละขั้นตอนเพื่อสื่อข้อ น, นะคะตั้งแต่ที่เห็นข้างหลังที่ท่นการสมมติเฉยดแล้วนะคะซึ่งยังไม่สมบูรณ์แต่คิดว่าท่้นองจะเข้าใจไม่ทราบจะขยาย ก, กี่หนังคะ เราเกากอนนะคะนะค ะ, ะ, คะ <laughs> แล้วเสีที่ใช้นะคะคือเรื่องของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนี้ก็เป็นเคนิที่เก่าแ ก, ก่ล้วตอนนี้เนี่ยหนังสืเอเล่มนี้ก็ออหมดไปจากครมแล้วนะคะก <c oughs> ็เลยอยู่ไม่เยอะนะแลเราก็เลยเอ่อว่าโมช า, า ม, มาทั้งหมดแล้วก็เป็นที่มาของการทำหนังสืเอเล่มนี้ก <c oughs> ็สีที่ใช้ก็จะให้คงความโบราณข้อที่หนึ่ง อีปการหนึ่งก็จะเห็นว่ากระดัษไขสีใสเนี่ยนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของที่เทศกาลเมื่อปีสองพันห้าสเมืองสวัสดนะคะก็จะชี้ให้เห็นถึงว่าในครอบครมต่างๆและถ้าเราทความดีนะคะตั้งใจก็จะมีสุขสีพื้นที่หนได้ก็อาจจะเกิดในครอบคุมเทวดาสุดท้ายจัดการ่าหนังสือเล่มนี้แล้วก็ดูแนวทางแล้วก็น้อมนําัตรมาปฏิบัติแล้วก็อ่านกันได้บรรลุ มักถนนิพานตามความประสงค์ของพวกเราสูวนใครจะมีทัศนิยาส์ายเป็นโทรสายทำใดก็น้องแล้วก็พิจารณาแล้วก็ตั้งต้นทําตั้งแต่วันนี้หลายๆข่้นของอาตธรรมนาแล้วก็จะได้จากการศึกษาเรื่องราวของพระุทธองค์เนี่ยจะได้ความตั้งมั่นจะได้มากขึ้นเรื่สื่อไม่มีแต่ค่อนข้างถ้าบางคนเห็นเรื่องของภาษาจะรู้สึกว่าอ่านยากสักนิหนึ่งนะคะเป็ก่อนนะบางคนอาจจะไม่ชิน าภาษาแต่ให้คิดว่านี่คือการที่เป็นตัวหนังสือแต่ละตัวที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของคนคนหนึ่งซึ่งมีผูค้คนที่มีใหญ่ซึ่งเรามองไม่เห็นเลยว่าจะมีใครบ้างเราได้ขนาดนี้ที่ ท, ทําเพื่อเรามากขนาดนี้นะคะแล้วก็ด้วยความต้องการรักษาภาษาอันนี้นะคะแล้วในองค์กา ร, ร, รอนุรวิธิการรวบรวมข้ามหนึ่งเพื่อเป็นาภาษาที่จะสือ่อการ ได้ตามตามตามสมรรถนะขึ้นก็มีครูบาอาารที่ระบปากจะช่วยเรียบเรียงให้นะคะประการที่1ในอีกประการที่หนึ่งเนี่ยด้วยความที่เสื่ที่อากจะบอกเนี่ยตัวเองไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกได้มากมายนะคะก็แต่เห็นว่าเราเรองนาะเอาที่นาังคาระมาประมาณเส็จต่อนะคะมาให้ได้อ่านกันซึ่งก็เลยได้จับปีนั้นสื่อทีนาังคาระ มาซึ่งการผู้ที่มาฟังธรงก ร, รก็คงจะได้แจกในข่าวต่อไป ข, ของอยุธยากรมการทีมข่านะคะเป็นเรื่องที่น่าอ่านกา็กคือการกล่าวน้องพระรองค์จะถือว่าเป็นเพื่อนประดับของพีเจ้าซึ่งการอ่านอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งเรื่องของภาษาที่สวนงามแล้วก็ได้ถึงความรับรู้ถึงสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรสงสร้างนะคะก็ ถ้าใครมาในวที่ 12, 13ก็คงจะได้รับแจกหนังสือเล่นี้นะคะก็ขอทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวได้รับฟังที่ท่านการก์จกล่าวถึงการสร้างวารีของท่านเ้าเพราะแต่ละการที่ท่านการจะอธิบายเนี่ยเราสามารถน้อมนํามาใช้ปฏิบัติเพื่อเจริญสีสมาธิกันได้านะคะก็ขออนุโมทนาบับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปเดี๋ยวสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสามทุ่มอีกห้องาวา พีสมันตะภาษาธิกาที่ท่านได้นอมน้อมพระพุทธมีพระพากเจ้าที่ท่านก็อ่านประจานท่านน้อมน้อมกันไวที่บอกว่าข้าพระเจ้าขอถวายนมัส ก, การแด่พระนาฏพระองค์ใดผู้ประกอบไว้ด้วยพระมหากรุณาผู้ทรงกระทำํำซึ่งกรรมทั้งหลายที่กระทำได้ยากยิ่งนะักตลอดการอันนับประมาณไม่ได้แม้ด้วยหลายโกรธกรร ทรงถึงซึ่งความยากลําบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกข้าพเจ้าขอถวายนำ้ำมศการแด่พระธรรมอันประเสริฐนั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสพคุณอยู่เป็นนิพพ์อันขจัดจเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นซึ่งสัตว์โลกเมื่อได้อย่างรู้จึงท่อเมื่อไม่อย่างรู้จึงท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยพบใหญ่อย่างยาวนานข้าพเจ้า ขอถวายนมัส ก, การด้วยเสียงกล้าซึ่งพระอริยสงฆ์เจ้าเหล่านั้นผู้ประกอบด้วยคุณทั้งหลายมีศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณและวิมุตติญาณทัศนะคุณเป็นข้ามูลเป็นบุญญาเขตของชนทั้งหลายผู้มีความปรารถนาด้วบุญกุศลที่สูงส่งฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมาในโอกาสนี้นะ ก็ขอโมทนาในการที่มาเจริญกุศลในวันพ่อเนะี่ยที่เรปกติวันพ่อที่ได้ปารลในการเจริญกุศลก็ได้เจริญกุศลมาตั้งแต่ในช่วงเช้าและในช่วงบา่ายก็ปารลในการที่จะเจริญภาวนากุศลต่ออาตมายองก็มีความปรารถนาที่จะเจริญภาวนากุศลในส่วนของธรรมเทศนาใหม่เราท่านทั้งหลายที่มาเนี่ที่นี้ก็ตั้งเจตนาปรารถนาที่จะเจริญกุศลกันในข้อของ ธรรมสวัสนัหมายคือบุญที่เกิดขึ้ น, นารรรจากการทำพระธรรมฉะนั้นในการกล่าวว่ามาดมาในครั้งนี้ก็จะตั้งเจตนาในการกล่าวที่เป็นให้เป็นกุศลมากที่สุดเท่าที่จะให้เป็นไดน้ตามสติกำลังที่จะทำเเพราะว่าถ้าสติสัมปชัญญะที่เป็นไปกับการกล่าวการกล่าวก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะเป็นใบกับกุศลใช่ไหมในบรรากุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากการกล่าวนั้นก็เป็นไปทั้ง สมรัถนเป็นไปทั้งอุเบกขาหรือเป็นทั้งยาในสมยุทธและยาแนวิปยุทธสะสมคาลิสสะสมคาลิส ก, ก็แล้วแต่ใครแต่และบุคคลจะมโนสิการนี่ไหมแม้ผู้ฟังก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ในการกล่าวของเราท่านทั้งหลายที่เราสาธยายพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนั้ น, เ, นเป็นการนอบน้อมใช่ไหมการนอบนอบ้อม้ว ย, ย, ย, ยกายเขาเรียกกายปานามนอบน้อมโดยวาจาก็คือว่าจีปานามนอบน้อมโดยใจเขาเรียกมโนปานา ฉะนั้นกายปาัณณ์กีปัณามแล้วก็มนโปนปัณณ์นั่นก็คือการนอบน้อม ok ต่ออะไรนอบน้อม ok ต่อคุณพระผููมีพระภาคเจ้านอบน้อม ok ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็ภา ร, รียาเถรเป็นต้นทีนี้ในกะารนอบน้อม ok, ที่เรียกว่าปัณามปัณา์คือกิยาแสดงการนอบน้อม ok ต่อพระรัตนใจเนียจังสาอาการคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตนะอันนั้นก็คือการนอบน้อม ok, ด้วยกายก็แด่ ก, กิริยาที่ทำไงและทำนะัทธทำทัะ ขัสสะสมโมทานปนมด้วยการตราบกรารด้วยการกราบแบบบรรจังขปิษ์ป เ, เป็นต้นหรือการปนมมือไหว้นี่นวะวัจีปนามได้แก่กิริยาที่ออกวาจาหรือเปล่งกล่าวว่าข้าพุทธเจ้าขอถวายนามสการแดรรร่พระนุตราชสัมมาสังโพธิยานพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือนามสการแดร่พระธรรมเจ้าขอถวายนามสการแด่พระสมกับเจ้าการออกวาจาเปล่งในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าวัาจีปนาม เหมือนอย่างบุคคลที่มีกุศลเจตนาศรัทธายินดีในคุณไงก็เสียรัตนาไตรนยในกรณีที่ไม่ได้ยกมือขึ้นบันมก็ได้นะออกแต่วาจาก่าววันนาโมตัสสะพระกะวโตอะอรหัตโอะสมมาส ม, มุทธัสสะเป็นต้นเนี่ยอย่างนี้ชื่อว่าเป็นวจีบันามนะในกรณีแห่งการกล่าวไงเหมือนอย่างพระสังขีติกาจารพระอรหันต์าเจ้าทั้งหลายผู้รัชนาสังคยนานะพระไตรปิฎกที่สืบทอด พระไตรปิฎกต่อมาเป็นตามลําดับนั้นเวลาท่านจะขึ้นกล่าวก็ะธรรมคำสอนหรือสาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งต่างๆเป็นต้นท่านก็จะนอบน้อมพระบรมศาสดาด้วยคําว่านะโมตัสสะพระคร ว, วตวราหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะในลักษณะอย่างนี้นะก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นเนี้ยอย่างนี้เป็นไปในลักษณะของวจีปนามด้วยการนอบน้อมด้วยการเปล่งวาจาหรือการกล่าววาจาอกมาประการที่สนั้นก็คือมโนปนาม คือการนึกการระนึกถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังข ร, รัตนะโดยความเคารพนบนอ ก, น อ, กอยู่แต่ในจิตใจบางครั้งก็ไม่ได้แสดงออกมาทางกายหรือไม่ได้เปร่งออกมาทางวาจาอันนั้นเครียกมโนปนามแต่อย่างเราท่านทั้งหลายนั้นทํา ก, กรรมทั้งสาส่วนในใจของเราท่านทั้งหลายแล้วก็น้อ ม, น, อมนึกถึงคุณของพระผูู้มีพภาคเจ้าน้อมนึกถึงคุณของพระธรรมน้อมนึกถึงคุณของพระสงฆ์ใช่ไหม ถามว่ากุศลจิตตุบาบาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นมหากุศลจิตตุบาเนี่ยฉะนั้นมหากุศลจิตตุบาทที่เกิดขึ้นนั้นมีศรัทธาเป็นประธานอยู่ไหมเมื่อศรัทธาเป็นประธานศรัทธาเป็นตัวนําเหงกุ่มกุศลธรรมทั้งหลายศรัทธาสติฮิริปโอตตปะอโรพาอโทสัตตะระมชตะตากายะปัสสติจิตตปัสสติเป็นต้นฉะนั้นกุศลจิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมหากุศลนั้นนะ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์มีพุทธคุณคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอารมณ์ถามว่าเราจะมีพุทธคุณคุณของพระพู้มีพระภาคเจ้าเป็นอารมณ์ได้มากน้อยแต่ละบุคคลเน้นไม่เท่ากันเนะข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ศึกษาเรียนรู้มาที่รับทราบมาหรือมีความลูกซึ่งในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เท่ากันฉะนั้นเมื่อการรีลึกถึงคุณของพระพู้มีพระภาคเจ้าไม่เท่ากันยังไ ประมาณของกุศลแลจิตที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันออกไปบางคนไม่ได้เลืแค่ในจิตใจอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่บะโนบะนามอย่างเดียวเท่านั้นเยอะไหมทนไม่ได้ในทั้งนองอย่างนั้นมีฉันท่ามีศรัทธามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีการเปล่งวาจาออกมาเป็นวาจิบะนามบอกโอ้ใจนั่นเองเป็นตัวผลักดันนะมีกาลังมากในการที่จะผลักดันในการที่จะขับเคลื่อน ให้การให้วาจาเปล่งออกมากล่าวสรรเสริญคุณของผู้มีพระภาคเจา้าบอสอิทธิพิโสพระวา่าแม้่อเพเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นต้นนี่ไหลักษณะอย่างนั้นบองบอกถึงอะไรบองบอกถึงบอกว่ามนโนปนามมีกําลังมากเมื่อมีกําลังมากก็ผลักดันในทํามนอ้อมว่าทำจิตตชวายโยธาเป็นต้นในนะนให้ให้เป็นไป เมื่อจิตตชะวาโย่าถิเป็นไปแล้วก็ยังกายวิญยัตเป็นต้นวจีวิญญัตเป็นต้นมีการเคลื่อนไหวหวาจาแล้วมีการเคลื่อนไหวหกายมีการนอบนอ้นอมมีการเคารพนบวายเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีทั้งมนโนปนามและก็มีทั้งวจีปนามกายปนามเป็นต้นฉะนั้นกรรมสามที่เราท่านทั้งหลายเล้กกระทําไว้แล้วในพระตนะไตรเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากเห็นไหมในสมัยทั้งปฎธกาลเนี่ย หรือหลังๆมาต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีหรือว่าชั้นพระอัริยาจารย์ท่านพระดีกาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านจะนากล่วประกาญมคือการนอบน้อมพระผู้มีพระเจ้าพระธรรมหรือพระริยสมเป็นต้นเนี่ยท่านก็อธิบายขยายความบอกบอกว่าประการที่หนึ่งเพื่อให้นักปราชญ์ได้รู้ว่านี้เป็นการประพฤติตามเยี่ยงย่างในวงของอริยภูมิเปรตเนอะอันนี้กล่าวถึงบุคคลที่ว่าเออเบื้องต้นเลยนะถามทําไมต้องมีการ กล่าวรอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในขณะที่เราจะศึกษาพระธรรมคาำำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะที่เราจะสรวจมนไหว้พระในขณะที่เราจะประพฤติปริบัติเป็นต้นเหล่านี้ทําไมต้องทําในลักษณะอันนี้เป็นอริยะประเพณีนะอริยะประเพณีเป็นประเพณีของพระอริยเนี่ยเป็นพระ เ, พเป็นประเพณีของพระอริยะทั้งหลายฉะนั้นนับปราั้งหลายท่านบอกอริยวงท่านทํากันอย่างนี้ ผู้ปรารถนาจะให้พุทธศาสนาดำรงมั่นด้วยจริทธิตักการก็คือจะต้องฟังและแสดงประธรรมเทศนาก็เริ่มโดยการนมัสการนะรัตนไตรเป็นภาษาบาลีที่กันบอกบรรณะโมตสักวกรวตโอระโตสัมมา ส, สัมบุทธจักหรือต้วต น, นี้นะแล้วบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิทั้งปวงนะจึงได้ปฏิบัติตามประเพณีของพระริยวงศ์หรือพระริยเจ้าผู้ประเสริฐแล้วก็สั่งสอนศิกญานุสิกสื่ต่อกันมานะ ปิดามานดาก็สั่งสอนบุตรหลานต่อๆกันมาตราเท่าจนถึงรัววันนี้ฉะนั้นการตั้งพระบาลีนโมไว้เป็นเบื้องต้นในการที่จะศึกษาประทำคำสอนในการที่จะฟังทำเป็นต้นนั้นต้องบอเป็นอริยประเพณีนะเป็นพัประเพณีของพระอริยทั้งหลายที่ท่านจะทำกันสืบๆกันมาประการที่สองเพื่ออะไร เพื่อป้องกันพยันอันตรายหรือสัพทอันตรายต่างๆเข่ากายปันามวจีปนา ม, มโนปันามในพระรัตนตรัยทั้งสานี่นะการปันามด้วยกายก็ดีด้วยวาจาและด้วยใจก็ดีอาจให้สําเร็จเป็นทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมนะเพราะงั้นนะสรุปแล้วก็คือกรรมที่เรากะทำเนี่ยเป็นทั้งทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมเป็นทั้งอุปาชาวเวทนียกรรมเป็นทั้งอภปปราระเวทนียกรรมยังไง ทถฏฐธรรมะเวทนยกรรมกรรมที่ทําในปัจจุบันและจะให้ผลในปัจจุบันในพบนี้แล้วก็อุปัช้าเวทนยกรรมกรรมที่ทําในปัจจุบันในพบจะให้ผลในพบถัดไปคือพบที่สองเป็นต้นไปนี่นะอะปราปราเวทยกรรมกรรมที่ทําในปัจจุบันในพบจะให้ผลในพบที่3เป็นต้นไปเจนกว่ากระแสะขันของสัตว์โลกนั้นจกปรินิพานแล้วก็นึกหูกรรมที่เกิดขึ้นจากการนอกน้อมพระรตะนตรัยเนี่ยเป็นกรรมที่ให้ผลได้ถึงการ3นะ ปัจจุบันพบก็ได้พบถัดไปก็ได้ตั้งแต่พบที่3าเป็นต้นไปจนกว่าจะป ร, ะรินิพานก็ได้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ โ, โูคุมยิ่งกว่าคุม้มเยอะการที่เรามาน้อมจิตในการที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธมีพระภาทเจ้าถามว่าในโลกนี้เราจะคิดถึงใครที่มีบุญได้บุญได้อานิสงส์มากเท่ากับการคิดถึงพระพุทธมีพระพาทเจ้าคิดถึงบุคคลอื่นนํามาซึ่งความทุกข์ความทรมานเป็นส่วนมากจริงไหม คิดถึงลกูกคิดถึงภรรยาคิดถึงสามีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดไปคิดมาก็วนวนวนวอยู่นั่นแหละในที่สุดจริงๆก็ไม่ได้สรารณะนะไม่ได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงแต่ถ้าคิดถึงพระตะนาตรายนอกนะ้อมพระตนาตรายด้วยกายประนามวจีปรนามแล้วก็มโนปรนามเนี่ยเราได้สรารณะเราได้พึ่งนะแต่ได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าบอกนอกจากได้ที่พึ่งแล้วเนี่ยอุสนที่เกิดขึ้น เขาเรียกว่ากุศลจิตวบาตรที่เกิดขึ้นมีโยนิสงมรณสิการเป็นปรรทัฐานใช่ไหมโยนิสงมนสิการก็มาจากการฟังพระสัทธธรรมการฟังพระสัทธธรรมเพราะการคบสัตว์บุรุษการได้คบสัตว์บุรุษนั้นมาจากการอยู่ในถิ่นที่สมควรที่มีพระศาสนาคําสอนของพระเจ้าแผ่ไปถึงใช่ไหมทีนี้การอยู่ในประเทศที่สมควรนั้นมาจากปลุกเพกระตับปุญญาตานะ ปุกเพรศัุญญาตาหนึ่มาจากอัตตาสมปนาสมอัตตสมมาปณิทิปใช่ไหมการตั้งสมมาที่ถิไว้ในหลายแสนหลายกอดกับกาศชาดอยู่นะและ้วเขามาพิจารณานะโอ้การตั้งอัตตาสมมาปณิทินี่ดีจริงเนอเป็นปัจจัยทําให้ได้ปุกเพกตปุญญตาปุกเพกตปุญญตานั้นทําให้ได้การเกิดอยู่ในถิ่นที่สมควรการเกิดอยู่ในถิ่นที่สมควรก็ทําให้เราพบพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า เรื่อการพบพระพุทธเจ้าและสาวกของ พ, พระพุทธเจ้าก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมนะเมื่อฟังพระสัทธรรมเกิดศรัทธาเกิดโยนิสมนัสิการโยนิสมนัสิการเนี่ยเป็นอนันตรัปัจจัยสมอนันตรักปัจจัยอนันตุมริสยาตปัจจัยเน่ยไหมเป็นนาทีปัจจัยวิกาตาปัจจัยแก่ชาวนะที่เป็นกุศลจิตุบาทฉะนั้นกุศลจิตุบาทหรือมหมายกุศลจิตที่มันเกิดขึ้นจากการ การฟังพระธรรมการเลือกอนถึงพระธรรกคำสอนการศึกษาคาสอนกา ร, รปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพ า, าคธเจ้ากุศลจิตรุปัตยอันนี้มีผลมากมีอ น, นิสงส์มากสามารถที่จะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นอะไรตามมาไหมปลาโมดก็เกิดปีดีก็เกิดปัสสุที่ความสุขสมาธิใช่ไถ้าเป็นไปได้นะ อัธยาศัยของท่านคนนั้นสั่งสมมาดีเป็นบุคคลที่เป็นติเหตุกปะปฏิสนีิไม่ได้ทำกรรมหนักหนาอะไรเนี่ยมาตัดรอนกระแสขันในการจะมให้ตนขันของตนเองนั้นได้สัมผัสอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอันัตตลักษณะอย่างที่สุดเนี่ยสามารถจะทำกระแสขันของตนเองนั้นเป็น แกการบรรลุมรรบผนิพพานได้นีะท่านนั้นก็สา ม, มารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์เป็นต้นได้ใช่ไหมท่านต้งบอกว่ายักถาภูติยานันทศนะคือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัจจัยแกนะ่นิพพิธานะนิพพิธานคือความเบือนในายในสัมขารเป็นต้นนะเบือหนายในรูปขันธเวทนาสัญญาสังขารวิญญาวิญญาเนี่ยการเบือนนหน่ายนั้นหนะเห็นทั้งปัจจัยแต่ลักษณะของขันธ์ห้าและเห็นทั้งสามั ญ, ญลักษณะของขันธ์ห้าใช่ไหม เห็นว่าขันห้านี่เทียมมีแล้วกัไม่มีเน่ยเป็นทุกข์เพราะอาจจะบอกเียนเบียนอ ย, ยู่ตลอดเวลาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเป็นอนัตตาเพราะว่าบังคับไม่ได้เป็นต้นในที่สุดจริงๆก็เป็นตะทงังคปะหารแบบสมุชิแบบตทังขปะหารจากตะทังขปะหามีลายเวตาลําดับในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยเขียววิร า, า ค, คืออริยมรรคเกิดขึ้นใชมอริยมรรคก็เป็นปัจจัยแก่อริยผลอริยผลก็เป็นปัจจัยแก่ยะถาเป็นปัจจัยแก่กปัจเจเวคนา ปัจเจกขณะก็เป็นปัจจัยแค่อนุปาทาปรินิพพานใในที่สุดจริงๆก็ได้ดับขันทารินิพพานได้สงบได้เย็นได้ดับได้พบความสุขเยี่ยงท้าวรอไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป็นต้นอะเนี่ยนะฉะนั้นคำว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการนอกน้อกจากการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนะีถ้าตามจิตเป็นเนี่ยนะก็ต้องแล้วอยู่แต่แต่ละบุคคลนะที่จะตั้งจิตนะแล้วนอกจากที่ว่าถ้าไม่สามารถจะเป็นปัจจัยอย่างนั้นแต่ว่า การแสดงธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีการสวดมวนต์การตั้งจิตและลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนเนี่ยนะก็จักสามารถป้องกันนะีปัจจุบันอันตรายที่จะทําให้สําเร็จจากภูษณ์นั้นๆเป็นต้นได้เช่นบางคนตั้งอัธยาศัยว่าจะาสร้างบารมีเนี่ยนะบอกในปัจจุบันนะพบนี่จะสร้างบารมีนะีหรือจะทํางานใหญ่ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาถาวายเป็นพุทธบูชานะี่ยลองตั้งกระแสจิตไว้ทิ ว่าเราจะทํา ง, งานใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาอะเนี่ยตั้งไว้เนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจนั้นน่ยบุญกุศลเหล่านั้นมันรักษาอะไรรักษากระแสของนามเลยลูกหรือกระแสของขันห้าเนี่ยไม่ให้ขันห้านั้นต้องพกภัยวิบัติที่เป็นกรรมหนักนั้นเป็นครุกรรมเป็นต้นเหล่านี้นกรรมต่างๆเหล่านั้นไม่มาเบียดเบียนรูปน้ำขันห้าของท่านบุญนั้นให้มีการวิบัติไปก่อนที่งานสําคัญของในาศาสนาเหล่านั้นจะเคลืนเบ็จ เ, เป็นต้นไปเนี่ย หน้าต่างของแกใช่ไหลองลองตั้งดูสิตั้งในการที่เราจะถวายใช่ไหมบอกเออเนี่ยเราจะเอาสาระที่ไม่มีสาระของความงามเนี่ยไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระของความสุขของความเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยเนี่ยนะเออจะทําศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระให้เกิดขึ้นเมื่อทําสาระต่างๆเหล่า น, นี้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนะบอกจะทํานี้ต่อเนื่องยาวนานในระหว่างที่ออกจะทากี่ปีดี เรจะทำรักสิกปียี่ถึงปีเนะี่ยถวายบูมพุทธบูชาเนะี่ยลองทําอย่างนี้ดนะังบุญที่เกิดขึ้นจากการที่จะนําขันที่ไม่มีสาระถวายท ถ, ถวายบูมพุทธบูชาแล้วก็มาพิจารณาดูใช่ไหมเออเราเป็นปุถุชนเนี่ยที่ยังมีกิเลสเราเวียนก็ามาสู่จิตใจอย่างหนานแน่นเล ย, เนยในปกติที่เราไม่ระลึกถึงบุญเนี้ยในขณะที่เราไม่ได้คิดถึงบุญใจก็คิดถึงบาปใช่ไหม โดยส่วนมากถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งใจเราคิดถึงบุญหรือมากหรือคิดถึงบาปมากแล้วก็บอกโอ้คิดบาปมากกว่าบุญแล้วบอกต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าจะตั้งโยนิโสมมรณสิการในการเป็นผู้ฉลาดในการคิดให้มากดีไหมฉลาดในการคิดก็คือว่าทั้งอุ ป, ปา ย, ยมนณสิกการทั้งปัตถามนาสิการทั้งการณมนณสิกการแล้วก็อุ ป, ปาถากมนณสิกการโดยเฉพาะที่บอกว่าอุ ป, ปาเ ย, ยมนณสิกการก็คือพิจารณาขึ้นอุปาก็คือ คิดอะไรจะสรุปลงอริยสัจให้ได้บอกว่าคิดถึงพระธรรมคำสอนก็จะสรุปลงอริยสัจให้ได้ได้ยินเสียงก็จะสรุปลงอริยสัจให้ได้ได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกหรือทำมาลมเกี่ยวข้องในใจคิดเรื่องราวต่างๆเหล่า น, น, นี้เราจะไม่ปล่อยให้ความคิดนะเป็นไปอย่างเพ้อเจอ้อแต่เราจะสรุปลงในอริยสัจเราจะหาให้ได้ว่าอะไรเป็นภพกษัตริย์ว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้อะไรเป็นสมุทยัยสัจจ์ว่าเป็นธรรมที่ควรละอะไรเป็น นิโรธาสัสจจะเป็นธรรมที่ควรให้แจ้งและอะไรเป็นมรรคสัจคือเป็นธรรมที่ควรเจริญเวินตอร์เหล่านี้นะมีการคิดแบบในอุบาสหรือบางครั้งเราก็คิดแบบในลนักษณะที่ว่าปัตถามนานสิการ์ก็คิดตามทางเออคิดให้เข้าทางอริยมรรคนี่คิดได้ไหมคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไคิดยังไงเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา่าสัมมาการมันตัสสัมมาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาทิเอภเราจะคิดมันตามล่องตามรอยตามทางตามกุศสนกรรมบดยังไงเนี่ยที่ไม่ได้คิดเข้าหาอุศสนกรรมบทเนี่ยเราจะคิดเข้าหาตามทางมักแปเนี่ยเราจะคิดยังไงเป็นต้นอะเนี่ยบางครั้งเราก็เออที่เรียกว่ากาลนารัญญัติกาลคิดสาวาเยห์เยนหาเหยห์นะยังหาเรื่องนะหาเหยหกเปิดช่ไหมยกใหญ่ฉามรณะมีเพาะมีชาตเนี่ยชาิมีเพาะมีอะไรชาิมีเพราะมีภาวะนี่นะภาวะมีก็ามี อุปาทานอุปาทานมีพ่มีตัณหาตัณหามีพเมียอะไรเวทนาเวทนามีพาะมีภาษาภาษามีพ่มีสลายยตนามีพเมียอะไรนามรูปนามรูปมีพรอะมีอะไรเสียงลมดังอะไลมีเรื่องมเรืยามมีก็มีอะไรสังขารมีก็มีอะไรอวิชามีก็มีอะไรอสวกมีพ่มีอะไรวแล้วจะนีเรื่องวนที่ นี่เขเรียกคิดหาเหตุปัจจัยใช่คิดหาเหตุปัจจัยที่ขนาดว่าเออสือค้นตาได้นะียเออเนี่ยนะว่าสืบค้นตาได้เช่นจักถูกภาษาทะาเนี่ยนะเออมันมีเหตุมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยนะอันนี้คิดหาเหตุนะนะดังนั้นหมายความว่าหาเหตุปัจจัยข้างนา้าด้วยแต่คิดที่สอบค้องตามพรดํารมคำสอนของพรนะพุทธเจ้เนี่ย ไม่ใช่ว่าคิดในลักษณะที่ไปนอกทิศนอกทางหรือนอกนอกโลกนอกทางไม่ใชคิดในลักษณะนี้แต่การสุดท้ายที่บอกว่าอุปปาขกะมานัสกาเขาเรียกคิดปลุกเราปลุกเราอะไรดีศรัทธาให้เกิดคิดศรัทธาทำศรัทธาให้เกิดเนี่ยตรงเนี่ยชาวพุทธเราไม่คิดทำให้เกิดศรัทธาเลยนะแต่ชาวพุทธฉลาดคิดให้เกิดโทสะได้ไงเนาะเราจะคิดโกรธกางอยู่ไม่โกรธเลยเป็นพวกเปแฟ เคยเคยแปลกใจนะคิดขาศรัทธาคิดยากเย็นมากแต่จะคิดให้เกิดโทสอะอคิดโลกเนี่ยคิดให้โลกรบกวมโลกเกิดคิดเงนินเห็นไหมอาโยนิโสมนสิการเลือใช้เขาเย็นคล่องแล้วเราบอกว่ากลับไปไม่ต้องกลับไปแล้เดี๋ยวนี้สมาทานในใจบอกอาโยนิโสมนสิการความไม่ฉลาดคิดเลยตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปก็พะเจ้าจะไม่ใช้คุณอีกแล้วเรียกผู้ที่เขาฟ้อน เราจะไม่ใช่คุอีกแล้วเพราะคุณมาเกี่ยวข้องกับจิตใจเราเมืเเ่อไรแล้วเราเสียหายในสังสารวัตรมาอย่างยาวนานนี่มั้งสังสารวัตรที่ยาวไกลมาเพราะการคิดผิดคิดเข้าหามิจฉาทิฏฐินี่มั้งเช่นว่าคิดคิดจนไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าคิดจนทําให้เพียเพ้ยนผิดในที่เดียคิดให้เพี้ยนผิดแต่ว่าถ้าจะตามหามีอยู่คําคำว่า ไปเจอโยมผู้หญิงนั่นเขาไปที่วัดเขถามว่าไปที่วัดไปเสร็จก็ถามว่าโยมมาเลยรถามท่านท่านหญิงสามีโยมมาไหมถามถามไปอยงนีกเขาบอกว่าจะออกจากบ้านมาสองสามวันแล้วไม่กลับบ้านเขาก็บอกหน้าตาก็ไว้แล้วก็พอเบอร์โทรที่วัดก็ เรก็กลับมาแล้วก็โทรมาถามเรื่องว่ามิแทนที่จะตามหาพระพเจ้าตามหาสามียินไหมในสังสาวรวัฏเป็นอย่างนี้สัตว์โลกไม่ตามหาพระพุทธเจ้ า, าไม่ตามหาโลภุตธรรมแต่ไปตามหาวัตถุ ก, กรรมแล้ววัตถุ ก, กรรมมันให้อะไรไมันให้ทุก่ใช่ ใจของสัตว์โลกจึงติกแน่มในวัตถุกรรมอยู่ๆเนี่ยฉะนั้นในปัจจุบันเรามาฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยการผ่านผู้ที่กล่าวไม่มีบรารมาีธรรมะฉะนั้นไม่สามารถจะชักใจของเราเน้นออกจากวัตถุกรรมฟังไปแล้วก็กลับไปหลอกเหมือนเดิมเลยทั้งเก็บกลับไปหมองๆเหมือนเดิมใช่ไหม เนี่ยพระพุทธเจ้าผลิติภามในสองพันกว่า ป, 2, ปีเป็นอย่างไรทั้งๆที่พระธรรมคำสอนยังอยู่ใช่ไหมแต่ด้วยว่าอะไรหนึ่งพระรูปวิราชของพระพุทธเจ้าเราก็คิดไม่ออกแล้วตอนนี้พระรูปวิราชว่าเป็นเช่นไรเพราะวจนะวิราชเราก็คิดมไม่ออกเลยว่าเพราะวจนะวิราชของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรพยายามวิราชคือ ผู้ทะยานทั้งหลายของพระเจ้ามีความวิลามีความวิจิตมีความพิสดารอย่างไรแล้วก็คิดไม่ออกเลยผลิตซึ่งมีความวิลาอย่างหลากหลายมีความมหัศจรรย์ขนาดไหนความวิลาทั้ง4ี่ประการเป็นต้นเห่านี้เราคิดไม่ได้เพราะเราไม่ได้สัมผัสณนะปัจจุบันนี้อย่างแท้จริงใช่ไหมเพราะการศึกษาพระธรรมของเรามันไม่ชัดพอมันไม่ชัดเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาตามมาเยอะเลย เพราะเป็นปัญหาตามมาเยอะก็คือว่าแค่เราไปศึกษาบอกว่าพระคู่มีประภาสเจ้าในตอนชาใช่ไหมท่านอาจารย์สมบูรณที่บอกว่าพร ะ, ระพุทธเจ้านั้นมีมหาบุริสลักขนาดสาประการอนุพยัญชนะ80เราเราฟังแล้วก็งงๆกันมึนเดวเลยใช่ไหมเป็นยังไงเนี่ยมหาบูริสลักนาดสมอประการอนุพยัญชนะ80ดสิพอไปดูในลักษณะสูตรปุ๊บอ่านไปอ่านมาเอาางงงมีอะไรุราีไปใหญ่เลยเดี๋นี้ แทนที่จะได้พุทธคุณในที่ตรงนั้นก็มองไม่เห็นใช่ไหมนี่มองไม่เห็นหรืออย่างยกตัวอย่างถ้จะยกตัวอย่างอีกจุดหนึ่งก็คือพระวจนะวิราชที่ว่าพระบรมศาสดานั้นมีพระสุรเสียงที่มีความไพเราะมากมีความชัดเจนมากมีความนุ่มมีความลุ่มลึกไม่พรผ้าไม้เครือเป็นต้นเหล่านี้นะที่มีมีพระวจนะเด้วยมีความงดงามประกอบด้วยองค์ประกอบเป็นต้นโสตวิญญาณของเราก็มีโอกาสเลย ไม่มีโอกาสไม่ยังไม่พอเราไม่เคยถ้าเราไปศึกษาคำสอนที่พุทธเจ้าเนี่ยเวลาตราบพระธรรมคำสอนที่ท่านกราบเขาเรว่าช่วงเวลาล้างพระบาทพระบรมศาสดานนั้นสามารถจะตรัสทีกณิกายจบได้ไม่รุรกิจสิสุตอย่างเงี้ยเราไม่เคยได้ยินแล้วในขณะที่กล่าบว่าจะนะาหรือมีพระวจาจะกราบพระธรรมรวดเร็วขนาดนั้นนะศั์โลกทั้งหลายฟังนั้นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง เราก็ไม่มีโอกาสได้ฟังในลักษณะนี้นะท่านตั้งประเด็นเช่นขณะว่าถ้ามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกามานั่งกันอยู่สี่ทิศนะท่านหนึ่งถามกายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านหนึ่งถามเวทานานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านหนึ่งถามจิตต า, า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานท่านหนึ่งถามธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถามพร้อมกันพุทธเจ้าตอบคาตอบครบนี้เข้าใจพร้อมกันหมดเลย เร็วเหมือนกันนาคขมังธนูยิงลูกศรเนี่ยผ่านผ่านที่ว่าเงาอ่ะเงาประมาณครึ่งหนึ่งได้อย่างรวดเร็วชั้นใดเพราะว่าเจนะของพระผู้มีภาคเจ้ามีความรวดเร็วมากยิ่งกว่านั้นทีนี้ในขณะที่พระบรมศาสดาทรงตรัรรสพระธรรมเทศนานั้ยพระองค์ตรัสด้วยภาษามาคตหรือมาคธภาษาเป็นตันติภาษา แต่ถ้าในขณะนั้นมีชาวอังคามากกระท่าก า, การสีโกสละวชีมัลลาเจตีหรือว่ามีคนหลายชาติหลายภาษานี่นะไม่รู้กี่พันกี่กฏภาษาเลยเนะี่ยมันนังง่งรวมรวกันอยู่ทีเนะี่เวลาพระวจนะพระบรมศาสด า, าสมตรเสทศนากล่าวออไปได้วยมคตภาษาเนี่ยเวลาไปกระทบะโสตปภาษาทของท่านผู้นั้ น, นแต่ละท่านแต่ละท่านนี่ยนะก็เหมาะเจาะพอดีพอดีเลย พ, อ, ลยพอกระทบโศตประสาทเนี่ยศรัทธาลมเนี่ย เสียงท่าสุรเสียงของพระบรมศาสดากระทบกับโสตกต่อภาษาใช่ไหมในขณะนั้นแต่เสียงนั้นก็เป็นปัจจัยกับโสตวิญญาณใช่ไหมโสตวิญญาณเป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะสันติชนะวธฒภนะเวนะปัญจทวารเรชนะตับไปเป็นปัจจัยแก่มโนทวารเรชนะนะพอไปเข้าถึงอตีตัดสมุหะเพราะอัดถัดงามมากนะวิจิณะ พอไปถึงในส่วน2นมามะอัพถาพนาวิถีเบสเซตินะพอไปเข้าใจบัญญัณนะกลายเป็นภาษาของแต่ละท่านไปทันทีเลยเนาะแล้วก็โอ้โ ห, หน่าสะใจพันลึกอะไรขนาดนั้นแล้วเหมาะสมแก่อัธยาศัยของท่านนนั้นทุกคนเลยบางท่านเหมาะมีอัธยาศัยตาถนาเจาา้จาฟังเพราะว่าจ้นะประมาณเท่าไหร่ห0 0่พัเพราะวจ้นะถึงจะบรรลกุก็เหมาะเจาะว่า1000คํานทำพอดีนะ บางท่านต้องฟัง 10,000 หมืคำบางท่านต้องฟัง 10,000 แคำนี่นะพยายชนะนี่นะบางท่านท่านต้องฟังหนึ่งล้านคำสอล้าน3ามล้านก็เหมาะเหตุการณ์ที่จะเป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์เพราะพระบรมศา ส, สดานั้นมีอาสยานุสยาญาพยานที่รู้อัธยาศัยรั้วนุสยของสัตว์โลกแค่นั้นเป็นต้นอย่างนี้ถ้าเรามารู้อย่างนี้โอ้โหนี่นี่ไม่มีโอกาสได้ได้เห็นเพราะวาจานะาที่วิราชขนาดนั้นเป็นต้น อันนั้นก็น่นแะคือคือที่มากล่าวอย่างนี้เพื่อต้องการให้เราทั้งหลายได้ระลึกว่าทําไมเราจ้องต้องมาศึกษาทําไมเราต้องมาเรียนรู้ใช่ไหมว่าพระผู้มีพาะเจ้านั้นสร้างบารมีอะไรฉะนั้นประการในกรณีถี่นการที่ว่าประการที่หนึ่งก็คือว่านอกน้อมตามอิริยะประเพณนีประการที่2ก็คือป้องการสัพเพอันตรายประการที่3ก็เพื่อชําระอัจฉริยสันดานให้บริสุทธิ์แน่นอน พุทธภาสิตนะนะที่พระนิระบุคนเมื่อราลึ่ถึงพระตถาคตเระเลึกถึงอรหังเป็นต้นที่เราสาธยายเป็นนะเป็นปัจจัยทําให้เกิดปาโมดปีตีปัดสถีความสุขเป็นต้นเหล่านี้นะในที่สุดจริงๆก็คือเป็นปัจจัยเห่งการที่จะขัดเกาวัฏยาศัยเป็นก้นในเรื่องนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสเขาไว้บอกสมัยใดยดูก่อรมหานามะ สมัยใดพราริยสาวกตามเลยลึกถึงพระตรรมคตในสมัยนั้นจิตของพาริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคับกุ้มรุมไม่ถูกโกโทสะกุ้มรุมไม่ถูกโมหะกุ้มรุมสมัยนั้นจิตของพาริยสาวกนั้นย่อมตรงทีเด<ช>ียวเห็นไหมดูก่อนมหานามอริยาสาวกผู้มีจิตตรงอย่างนี้ย่อมได้อัตถรสย่อมได้ธรรมรสเนะอะดยย่อมได้อัตถรสและธรรมรสย่อมได้ปราโมท ย่อมได้ทําเมื่อปราโมทย์เกิดขึ้นแล้วก็เกิดปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความสุขนั้นเมื่อเกิดความสุขแล้วเนี่ยจิตนั้นก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็เป็นปทัทภฐานของปัญญาเนีที่ท่านบอกว่าสมาหิโตโยธาภูตังเบฌานาติติใช่ไหมผู้มีจิตตั้งมัน่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงใชจิตที่บริสุทธิตั้งมัน่นพร้อมได้ปัญญาอย่างนี้ทําให้สามารถป้องกันขจัดอุปสรรคอันกลางงานทั้งหลายเนี่ยต่างๆเป็นต้นได้ นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นบอกว่าเออทาไมเนาะอุปสรรคพยานอันตรายต่างๆทําไมเหบียดเบียนกระแสขันมาอันนี้มายถึงเอาไม่นับเรื่องๆไปเนีเนาะปุป๊บเียดเบีย น, น, นเราอยู่เลยเลยเนี่ยอันนั้นบ่งบอกทังไงจิตไม่ค่อยเป็นบุญเท่าไหร่เออมีพุทธภาษิต ท, ที่เราฟังกันบ่อยที่สุดก็คืออภิวาทนศีรีษานี่นะนิจามุดาปจาริโนจตารโรดมามะทันติอาหิวโนสุ ข, ขัมตานติเนี่ยนะนะ สำหรับผู้มีปกติกราบว่ามีปกติอ่อนน้อมต่อรูปที่บุคคลเป็นนิดนะทำสิประการจะเจรเนี่ยคืออายุวันน่าสุขาพละเมื่อร่างกายจิตใจมีความสุขมีกำลังมีสุขภาพดีก็สามารถสำเร็จการงานและอุปสรรคอันตรายต่างๆมีความเจ็บไข้เป็นต้นเลยนะหรือว่าอุปสรรคต่างๆก็ไม่เบียดเบียนขันของการบุ น, น, นั้นเห็นไม่ป้องกันพยานอันตรายได้ ประการที่4ี่ก็คือเพื่อให้ชีวิตเป็นแก่นสารนั่นก็วางเลยนะว่าต้การที่อะไรต้องการให้ทาให้ชีวิตนั่นไม่ก้าวล่วงปาณาทิบาตไมเว้นจากปาณาทิเวบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากกามีสุมิชชาฌานใช่ไหมเว้เวนจากมุสาวาตเว้นจากปิสุนาวาจาเว้นจากพุรุสวาจาเว้นจากสัมผัสภาราปะไม่ยากได้ของเขาไม่ปองร้ายก็ไม่เห็นผิดเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่านั้นแหละการที่เราน้อมระลึกถึงคุณของพระราชะตรายชีวิตของเราก็เข้าถึง ความสูงมากขึ้นเพราะตอนนั้นจิตเราเป็นสอมณฑ์นะนเมื่อจิตเป็นสมนฑ์เนี่ยลองคิดดูเรื่มหากรุสุสอมณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดากรุสุนัททั้งหลายก็จะไหลยอย่างมากมาย เ, ยเข้าสู่สกระแสขันในที่สุดจริงจริงการฟังธรรมก็จะเริ่มชัดเจนแค่นี้มั้งอย่าแปลกใจนะว่าหลายๆคนฟังธรรมนะไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเพราะฟังธรรมด้วยการรุสุแลจิตเนี่ยเจนตาว่าฟังธรรมด้วยกรุสุแลจิตไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าใจนะอย่างน้อยที่สุดก็ได้ปลาหมดปีติ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจทุกอัตถทุกพยาชนะทุกสาจะใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นขอให้ฟังเป็นอัตยาศัยเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลก็ว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังอย่างไม่เสียหลายนี้ยดีกว่าฟังอย่างอื่นทั้งเยอะยยะใช่ไหมก็วันหนึ่งวันหนึ่งแต่ละวันแต่ละวันเราฟังดีละฉันกระถาเต็มเบหมดใช่ไหเออไม่เห็นไม่เห็นระบ่นเลยแต่พอฟังก็จะคุณเนี่ยเชื่อไหมหลายหลายคนทนฟังไม่ได้เออทนฟังไม่ได้แย่ว่าแต่มระลึกเลย เอาแค่บางคนเนี่ยนะอาจถามว่าเอาที่นั่งกันอยู่เนี่ยถ้าธรรมาจะกล่าวพุทธคุณตั้งแต่ขนาดนี้จนถึงสองทุ่มมีใครจะนั่งเหลืออยู่กี่คนไม่มีเลยเนี่ยใช่ไหมอาจจะเหลือพระไอพ้พระคงเหลือหรือเปล่าลใช่ไหมเพราะว่าท่านกล่าวไว้เนี่ยท่านพลังนาบอกว่าอยาวว่าแต่ระลึกเลยแค่ให้ท่านทั้งหลายที่จะทนฟังระลึก พอทนฟังการสาทะ ย, ยัยพุทธคุณก็ทนฟังจะไม่ไวหวกันอยู่แล้วนี่พุทธคุณมีมากท่านยับอกว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่นะตอพระพุทธเจ้าด้วยกันแลลึกถึงคุณพของพระพุทธเจ้านี่นะแล้วลึกไปเรื่อยๆเนี่ยจนกลับนี้สิ้นไปเนี่แต่คุณของพระพกมีภาพเจ้าก็ไม่เลยลึกก็ไม่สามารถจะหมดได้อันนี้ไปโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกแล้วลึกชาติได้กันหกเก้าสิบกว่ากัป ชหออ่หายใจเข้าออกเราเนี่ยหายใจเข้าออกยังคิดอะไรไม่ออกนั่งมืออยู่เรียนะใช่ไหมดูพระเจ้าคิดได้ขนาดนั้นยังคิดคุณของพระเจ้าจนกลับนี้สิ้นไปอาจารย์จมลใช่ไหมท่านบอกบอกว่ากลับนึงนะ่ะภูเขาสูงร้อยยอดกว้างร้อยยอดภูเขาหินด้วยนะสูงร้อยก้าวกว้างแล้วเออร้อยยอดะยะก็ร้อยยอดยอยสูงขนาดนั้นนะ่ะและเป็นภูเขาหินเนะ่ย ร้อยปีนางฟ้าเอาผ้าทิพบางๆมาเช็ดมาปัดข้างบนครั้งจนภูเขาไน่ราดติดแผ่นดินมันก่อนยอมถามใช้ผ้าต่างๆนี่จะไม่ช่เนะจ๊ะบอกช่างนีาภูเขามันจะสึกเด้งอัน่าบอกว่าจริงๆไม่ได้ถูกไม่ได้สึกเพราะผ้าเช็ดหรอ สึกไปตามการเวลาเ <c oughs> สึกไปตามการเวลาทุกอย่างต้องเสื่อมสลายไปใชเสื่อมไปทั้งคือบ่งบอกว่างานมากบ่งบอกว่างานมากฉะนั้นระลึกกาลระลึกเป็น ก, กับกับก็ไม่หมดนั้นเวลาครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่งกัมพีต่างๆเนี่ยรุ่นหลังๆที่เขาแต่งๆกันมาก็บอกว่ามี มีบุคคลอยู่บุคคล น, นมีบุคคลนหนึ่งนะผมมีปากอยู่ร้อยปากแต่ละปากมีลิ้นอยู่ร้อยลิ้นแต่ละลิ้นไม่ได้ทำกิจอะไรเลยนะพราณนาะคุณของพระเจ้านั้นจนกลับนี้สิ้นไปแต่คุณของพระพู พ, ะพุทธเจา้าก็หาหมดสิ้นไปไหมคือไม่หมดพรพูดอย่างนี้เอกมองไม่เห็นใช่ไหมเพรมองไม่เห็นในหนังสือสัมภาระวิบากนั้นและเป็นคำตอบท่านจะบอกเรื่องกลับเขาไหมท่านจะบอกว่าการคิดในใจใ น, ในเจตสังขัยเป็นยังไง พอว่าเจตสองไขคิดยังไงไปเสร็จเมื่อสักครู่พระอัตถาวาเมาบอกว่าท่านอาจารย์ยังติดค้างเรื่องเก่าไม่ได้อธิบายพออธิบายเริ่มกลับอัตมาก็มาคํานวณถึงเวลาเห็นไหมคำนวณถึง เ, เ, เวลาข้อมูลอัตามาจะเยอะแตนี้อัตถาก็เลยทุกวันเวลาแต่มาจะเป็นปัญญายที่ไหเวลามีคนบอกให้เตรียมข้อมูลอัตถามันก็อยอยเลยเตรียมพอเตรียมแล้วมันไ ม, ม, นไม่มันไม่พอดีกับเวลา พอไม่พอดีกับเวลาหลายๆคนมาทงวงติงมาพูดเร็วเร็วเพื่อต้องการให้ข้อมูลหมดศรัทธามากปราศจากหนใคคนฟังเยอะๆคนฟังบอกสำหรับข้อมูลแล้วเลยเอตรงนี้ช้าๆหน่อย ก, ก, ก็เอาคร่าวๆนี้เนี่ยกลับนีเนยจะได้พอเห็นรูปเห็นล่างว่าที่ท่านอญญาจามย์จอมวนบอกว่ายุ ก, กับอันตรกับ แล้วก็อสศงไข่กลับลักษณะที่มามาสายในลักษณะนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มาอธิบายเกี่ยวเรื่องของอางไข่อสศงไข่มีสองส่วนคนจะสับสองเงินอสศงไข่ที่เป็นอาศงไข่ใหญ่กับอางไข่ที่เป็นอาศงไขยเล็กถ้าอางไข่ใหญ่เนี่ยเขานับถึงว่าเอาโลกนะเออที่จริงต้องที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอาศงไข่ย่อยก่อนถึงจะชัดอสศงไข่ย่อยเนี่ยพูดถึงในลักษณะว่า เกี่ยวกันในเรื่องของอายุกลับเนี่ยไปไปไปสัมพังธ ท, ที่บอกว่าท่านอาจารย์ส ม, มน์อธิบายเกี่ยวนในเรื่องของพรหมเนี่ยที่ว่าอุปบัติเป็นคนพรมต้นกลับที่โลกอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแล้วพรหมลงมาเกิดน น, นาอายุเป็นอาองไขาจากอาศงไขปีก็ไหลลงมาตามแบบเจ็ดสิบแล้วจากสิขึ้นไปถึงอาศงไขเนี่ยนี่นะคู่หนึ่งนี้ก็เรียวกว่าหนึ่งหนึ่งอันจรกับขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้หกสิสี่ครั้งเขาเรียกว่าหกสิบสี่อันตรกับอย่างนั้น เ, ออเขาเรียกเขาเรียกว่า64อันตรกับใน64อันตรกับนี้ก็เป็นนับเป็นอสมไข ย, ย, ย่อยจะเรียกยังไงเรียกสัมวตตอสมไขกลับก็ได้เห็นไหมในช่วงกําลังพังหรือพังหมดแล้วเนี่ยกําลังพังก็เป็นสัมวตตอสมไขกลับถ้าพังหมดแล้วก็เป็นสังวาตตางาียอสมไขกลับอันนี้อีก64อันตรกับ64บวก64เป็นเท่าไรมา นับเลขไม่ชัดเลยต่ว่ามหาโยมนี่มึงร้อยี่แปดเลยนะทีนี่นะทีนี้ฝ่ายวิวัตตะกับอีกอันนี้ฝ่ายเจริญขึ้นฝ่ายจะเยะเจริญขึ้นตอ น, นในลักษณะเดียวกันนี่แหละอายุนะเกี่ยวในเรื่องของของก็แปลว่าขายัขึ้นขยัลงเป็นตัวเรื่องเนี่ยสรุปก็คือว่าเป็นวิวัตตะกับกับวิวัตตาธายกั อีกอย่างละหกสิบี่บวกหกสิบเหกสิบีก็เป็นเท่าไหร่ร้อยี่สิบแดบวกร้อยี่สิแปดเป็นเท่าไหร่ <100. S 1> นี่แหละก็เรียกอสงไขกับเลกนี่แหละเป็นสองเป็นสองรอยห้าสิบหกอันตรกรับเท่ากับหนึ่งมหากับในหนึ่งมหากับนี้เป็นอสมไขกับเลก <100. S 1> นะ นี่เป็นอสมถไกรกลับเลขนะสี่อสมถไกรกลับเลขเนะี่ยเท่ากัน1มหากัทในหนึ่งมหากัรนี้เป็นอายุของโลกโลกใบหนึ่งจเจริญขึ้นตั้งอยู่สุดๆแล้วมาเสื่อมลงเนี่ยใช้เวลาเนี่นี่นะโลกใบหนึ่งก็คือใช้คำว่ามหากัรก็เอามหากัรนี้เป็นนับอสมถไมกรใหญ่ทีอะไอย่างเงี้ยเอาเป็นนับอสมถไกรใหญ่ทีอะไรดิเนี่พอเป็นนับอสมถไกรใหญ่ทีเป็นับไปที อ้ น, นึเลข1นึ่งตามด้วยเลขศูนย์รตัวโลกใบ1เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโลกใบหแต่เกิด ข, ขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ตัวนั่งอ่งหนึ่งสงขพระเจ้าสร้างบา ร, รมีนิ่1หนงสงข่ถ้าถ้ารอบที่สองก็สสงไขรอบที่สามก็สมสงขรอบที่4ก็4ีสงไขคิดในใจเจรอบ เจ็ดอสมไขผ่านพทธเจ้ามาแสนงงคิดในใจต่อหน้าพระพักแต่ในสัมภารวิบากนี่คิดก่อนอธิบายก่อนอธิบายก่อนคำพีนี้อัศจรรย์แต่อ่านแล้วต้องจ่ออัตถาให้ได้วิธีเชิญชวนแล้วจริงอยางงั้นเมืยนเพราะอ่านแล้วโอ้ไม่อยากวาง พราะอ่านเที่ยวแรกยังไม่รู้เรื่องเท่าไรนี่นะต้องอ่านใหม่ต้องอ่านใหม่เนี่ยคมภี์อย่างนี้ท้าทายทันเท่าไหร่มาท้าทา ย, าทาทยถาว่าของง่ายๆได้มาไม่ค่อยมีประโยชน์ยุ่งผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาปราทนาไหนปราถนาไหนจะจะจะเรียนสิ่งที่ย า, ยากๆพรุทธคุณเนี่ยยาก ศัพท์โลกเนี่นะเวลาคิดพุทธคุณคิดยากโดยเฉพาะผู้โดชนเนี่ยมีกี่เด็อดลุมเร้าในใจมากฉันเวลาคิดพุทธคุณไม่ได้ไม่ชํานาคิดกามาคุณง่ายมากเวลาจะคิดถึงการมาคุณแล้วชำนานมากลองไปคิดดูเนี่ยคนชนานาญขายข้าวแกงคิดเรื่องข้าวแกงหมุนับจานถ้วย ไ, ได้เลยคนที่ขายไปกี่ใบที่นับได้ใช่ไหมคนทํางานอะไรก็ชนานํานาญในงานนั่นทำงานในบัญชีก็ ช, นนบบชํานาญในบัญชีคิดไม่ยาก แต่คิดพุทธคุณเป็นนั่มคิดไม่ออกพอคิดไม่ออกเลยไปเพ่งเลยพุทโธพุทโธอย่างเดียวเลยจบเลยใช่ไมเลยได้แกคนนั้นนี่เป็นยังไงนี่คือคิดในใจเจอสมยัยแล้วตอนี้มาเปล่งวาจาอย่างเี้เปลงวาจาแต่ยังไม่ได้รับพุะทบิยรกร อ, นนะอีก9อีก9รอบเหมือนกันโลกแตกดับไปแตกดับไปเนะี่ยเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนเะนี่ยรอบหนึ่งก็หนึ่งสมยัยด้วยอีก9รอบรวมเป็นเท่าไหร่ 16บหอสมขยัยเพราะสิบหอสมขยเบ็เสร็จก็มาทั้งกายทั้งวาจาอีกสี่แล้วรวมบวกจัก็เดินนีลยอันนี้อีกสี่อสมขยตรงนี้นี่แหละจึงรวมเบ็ดเสร็จจึงยี่สิบอสมขา้ายิ่งด้วยแสนกลับกว่าจากมาเป็นพระพุทธเจ้าที่เราผ่านเวลาเราสวดนีนะที่เราสวดมนตนะ์เนี่ยถ้ามาสรุปตรงการสวดมนต์เนี่ยนะ ที่ในบทสัมพุทธเทอ ท, เทวีสัญจาธวะเดสัญจาธาสเกเป็นต้นอะไรทีนี้ในการในการในการสาธัยในการที่ท่านกล่าวเข้าไว้ในบท สาธยายเกี่ยวกับในกรณีที่เราสโฉนดนั้งหลายอันนั้นเป็นการนับการผ่านพระพุทธเจ้านะที่บอกว่าใน20ิประสงค์ไข่เนี่ยนะยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยที่ว่า20สิประสงค์ไข ย, ยิ่งด้วยแสนกลับมีพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้นเท่าไหร่5้าแสนหนึ่งสองพันยีพระองค์ในบทที่บอกสัมพุทเทาธวีสัญจารดาวาตันจารสาสเก ปัญจะ ส, ะสัตสหัสานินา ม, ามิศรสารอาหารข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย5้2แสนพระองค์ด้วยเสียรก่าแล้วก็จะมีนอบน้อมพระธรรด้วยผสมด้วยใช่ไหมเป็นต้น อ, อันนั้นหมายถึงปัญญาทิฏกาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าสาร้างบารมีมา20ประบผสมไขยิ่งด้วยแสนกลับท่านทั้งหลายจะปรากนาจะสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าต้องผ่านพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยห้าแสพระองค์ บวกไปด้วย28ที่จริง27นง่นี่ยยี่วปดงปัจจุบันไหวไหมไม่ไหวก็ระลึกถึงคุณของท่านนะที่จริงจริงๆถ้าถามว่าไหวไหมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเกิดมาในเลยยี่สิประสงค์ข่ยเลยที่อย่า เ, เลย40ประสงค์ขายที่อย่าง เลยปาดสิบสอขายได้ยัถ้าจะปาดเานายยี่สิบไมไม่ไหวคิดอย่างใจกล้างใช่ไหมจริงๆน่าจะไหวนะฉะนั้นในการที่บอกว่าการผ่านหรือการที่พระผู้มียพระเจ้าทั้งหลายนะี่นะหลังจากได้รับพุทธบัญญัตกรน่ยจริงๆได้เริ่มรับพุทธบัญญัติแล้วทรมาจะสรุปในรายละเอียด น, นั้นคงจะเก็บในรายละเอียดใ น, นวันนี้ไม่ได้นะไม่ใช่เป็นนะเพราะว่า อย่างเช่นปตังหงังตัณหังกรพระพุทธเจ้ามีตังกรพระเจ้าสระนังกรพระเจ้าเนี่ยผ่านมาสาพระองค์ก็อยู่ในชั้นของกายวาจาและใจนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้รับพุทธพยากรในสาองค์ น, นี้มาได้รับพุทธพยากรในองค์ที่4ี่เพราะกับนี้เป็นสาระมารกัปกับที่มีพระพุทธเจ้าสพระองค์ได้รับพยากรพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายคือพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นแหละที่เกิดเป็นสุเมธาดาบทที่เราท่านทั้งหลายเริ่มศึกษากันตรงนี้นะที่เชื่อมโยงแล้วก็อธิบายกันค่อนข้างชัดแม้แต่ในคำพีพูดเทวล์ทั้งหลายก็จะเนมียสุเมธาคาถาเป็นต้นแล้วก็ที่มีหนังสือเล่มเล็กๆที่สอดที่แจกในงานนี้ที่อภิธรรมวิทยามาเนี่ยอันนี้ก็คือกล่าวเกี่ยว้วยเรื่องของสุเมธาคาถาเอาไว้อันนั้นก็คือคาถาที่เกี่ยวกับงในการที่ว่าพระโพธิสัตวานั้นบุตรเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ให้ทานเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ออกเป็นนัก บ, บวชแล้วก็ได้พบพระทธเจ้าแล้วก็ได้รับพุทธภรรยาก่อนนี่นะได้รับพุทธภรรยาก่อนแต่ตรงนี้ในานามของพระพุทธเจ้า28พระองค์นี่นะก็ก็เดยสาธยายถ้าใครสาธยายได้ก็ค่อยๆสาธยายอาจมาจะสาธยายในการเอ่ยพระนามในการที่จะนอกน้อมคุนของพระพุทธมีภาพเจ้าทั้ง28พระองค์เนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสธสะ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 ตัณย์ชนอาตมโคมะฆาโลปริสาสะโคสุมาโนสุมาโนทิรเรวโตรติวะันโนสุภิตโตคุสัมปันโนอนมติชนุตตโม ปัตมโลกับปัจจโตนารโอวรสารธีปัตมตตโรสัตตาสาวโรสุเมโออปติปุขโลสุชาตโอสัพพโลกับโคปิยทัสีนราสะโภ อัตถัสสีการุณิกธรรมัสสีตมโนทโพสิทธัตโออสมุโลเกติโสเจวะทตังวโรพุดโสเจวะทตังวโรพุดโสเจวระโทภุดโธ วิปัสสียะอนุปโมสิกิสัพหิตสัทธาเวสสภูสุขธาเยโกกโคุสันโธสัทธาวะโกนณคามโนรัตนเจโหกาสะโพสิริสัมปโน โคตโมเสิส <purposely Hi> <le> <N> ัมปันโอันนี้เป็นชื่อของพระผูเมียพระเจ้านะเอนดูๆไปแล้วตาแล้วมองไมีเหมองไม่เห นี่เป็นพระนามของพระพุทมีพระภาคเจ้ายี่สิบแปดพระองค์นะเราในการเอ่ยพระนามของพระพุทมีพระภาคเจ้าเพื่ออะไรเพื่อในการที่จะรู้ว่าพระบรมศาสดาในองค์ปัจจุบันเนี่ยนะในหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบุญกรแล้วเนี่ยนะเมื่อได้รับพุทธบยากรจากพระพูทมีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยพอได้รับพุทธบุญกรจากพระพุทมีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็บรเพณ์บารมีมาอย่างยิ่งยวด ในช่วงคําว่าสงไข่เนี่ยถ้านในระหว่างที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบาัตรขึ้นที่เป็นศูนย์จะกลับเนี่ยนะกลับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้คําว่าล่วงเลยเลข1นึ่งตามด้วยเลข0 4, 4, ูนยฉะนั้นเวลาที่ยาวนานมากในการที่พระบรมศาสดาเนี่ยท่านได้ทรงสร้างบารมีนะสร้างบารมีทั้ง10ซึ่งจะกล่าวในวันนี้นะในการที่จะกล่าวในบารมีที่พระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลาย ได้บำเพ็ญบา ร, รมีธรรมทั้งหลายเนะี่ยนในการที่จะโปรดเวนัยยศในการที่จะสร้างบา ร, รมีีมทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดฉะนั้นในการสร้างบา ร, รมีของพระบรมศาสดานะั้นน่ยพระองค์สร้างถามว่าเจตนาหรือความตั้งใจในการที่จะสร้างนะั้นที่ท่านกล่าวถึงในเรื่องของการบําเพ็ญพุทธการกธรรทนะนะั้นเนี่ย ถามว่าพุทธการกรรมที่พระบรมศาสดาท่านได้ตั้งเขาไว้เนี่ยถามว่าการตั้งพุทธการกระทำเนี่ยเมื่อท่านตั้งแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานในการตั้งปณิธานในการที่จะปรารถนาในการที่จะบำเพ็ญในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นอะไนี้ใช่ไหมท่านมาคิดพุทธการกระทำมาคิดฐานบารมีคิดศีลบา ร, รมีเป็นต้นอะไเนี่นะ ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนที่ท่านบำเพ็ญที่ท่านประพฤติที่ท่านประพฤติแล้วก็ปฏิบัติกันมานี่ยว่าเออพระพุทธเจ้าในปางก่อนนะั่นเน่ยท่านบำเพ็ญบารมีนะ่ยท่านจะทำในลักษณะอย่างไรใช่ไหมว่าในบารมีต่า ง, า ง, างๆเหล่านี้ที่ทําถึงตั้งเป็นประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็ไว้ที่บอกว่าเออในการที่เราจะศึกษาในเรื่องของบารมีการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้านะนะั่นน่ยลําดับแรกนี่นะ ท่านพระอาจารย์ทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ต้องพละนาท่านบอกว่าถ้าคุณทั้งหลายปรารถนาหรือพุทธบริษัททั้งหลายปรารถนาจะสร้างบารมีตามเยี่ยงอย่างพระบรมศาสดานะประการแรกก็คือต้องรู้ว่าบา ร, รมีเหล่านี้คืออะไรบ้างครัประการที่2ก็คือมีความหมายว่าอย่างไรบารมีนั้นมีความหมายว่าอะไรประการที่สว่าบา ร, รมีมีจํานวนเท่าไหร่ประการที่4ลําดับของบา ร, รมีเหล่านั้นคิดอาคืออะไร ประการที่5อะไรเป็นลักษณะรักษาปัจจุบันประทัดฐานประการที่6อะไรเป็นปัจจัยของบารมีเหล่านั้นประการที่แปดนะนะหรือประการที่7จ็ดอะไรเป็นความมัวหมองประการที่8ก็คือว่าอะไรเป็นความผ่องแผ้วแล้วก็ประการที่9อะไรเป็นปฏิบัติประการที่10อะไรเป็นการปฏิบัติแล้วก็ประการที่11อะไรเป็นการจําแน่ประการที่ส2อะไรเป็นการสมเคสประการที่สิาอะไรเป็นอุบาย ให้ถึงพร้อม14ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะถึงพร้อมนั่ใช่ไหมถ้าจะบําเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าบําเพ็ญเป็นพระบาเจนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเป็นพระสาวกเป็นต้นเนี่ยท่านใช้บารมีเท่าไหร่เออเวลาเท่าไหร่หรือจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบปัญญาทิกรวิริยาศรัทธาธิกรแล้วก็วิริยาทิกรเป็นต้นเนี่ยท่านใช้บารมีใช้เวลาเท่าไหร่ประการที่16กก็บอกว่าอะไรเป็นผลของบารมีเหล่านั้นเป็นต้นอันนั้นเป็นประเด็นในการที่ท่านตั้งเอาไว้ในการที่ ผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาในการที่อยากจะทราบว่าพระบรมศาสดานั้นท่านสร้างบารมีอะไรเป็นต้นอะไรเนี่ ย, ยทีนี้พอมาพิจนารณาถึงในเรื่องของบารมีธรรมทั้งหลายเนี่ยที่พระบรมศาสดาท่านได้ทรงกระทําเข้าไว้และก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกได้ตามคิดถึงคุณของพระพุทมีพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเข้าไว้เนี่ยนะ ที่พออระองค์ตรัสเไว้ในการบําเพ็ญบารมีสิแล้วก็อุปบารมีสิแล้วก็ปรมีธรรมบารมี10เป็นต้นเหล่านี้ท่านก็ไล่ไปตามลําดับที่ไล่ไปตามลําดับก็นในเรื่องของการที่บอกว่าเวลาที่ท่านปราถนาเนี่ยพอปรารถนาเบ็ดเสร็จดังที่ได้กล่าวว่าท่านต่อหน้าถ้ า, ากว่าได้รับพุทธบุตรกรนี่นีส่วนในรายละเอียดตนะ่างๆนั้วนะอาตมาได้เคยบรรยายไปแล้วในเทปที่ว่าในซีดีที่แจกไป ก็วันนี้ก็เลยจะมาสรุปต่อที่เกี่ยวในเรื่องของการที่ได้รับพุทธยากรเ น, นี่ยนะก็จะมาเล่าเกี่ยเรื่องของบา ร, รมีทำแต่ละข้อนะี้มาแจกแจงในการสร้างบา ร, รมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระบรมศาสดานั้ น, ท, นท่านทรงสร้างบา ร, รมีอย่างไรเป็นต้อนอะไเนี่ยนะทีนี้ลําดับแห่งการปรารถนาได้กล่าวไปแล้วทีนี้เมื่อลําดับแห่งการปรารถนาได้กล่าวไปแล้วก็ พ, พูดถึงในเรื่องของบา ร, รมี บารมีก็คือคุณธรรมทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นเน่ยนะด้วยการกําหนดเป็นผู้ฉลาดในอุบายนะที่หมายความว่าแล้วก็คือกรุณาเป็นต้นสรุปก็คือการสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยคำว่าบารมีเหล่านั้นก็คือว่าหนึ่งนะบารมีเหล่านั้นก็คือคุณธรรมทั้งหลายนะถามว่าคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีอะไรบ้างมีทานบารมีเป็นต้นที่ถาว่าทานบารมีเป็นต้นเนี่ยที่กํากับด้วยอะไรกํากับด้วยกรุณาและความฉลาดในอุบายนะ ก็หมายความว่าก็กับด้วยกรุณาและความฉลาดในอุบายถามว่าทําไม่ฉลาดในอุบายแล้วเนี่ยอะไรจะตามมาบอกตัณหามาหน้าิพจะตามมาฉะนั้นในการที่จะบําเพ็ญทางบารมีศีลบารมีเนคขมาบารมีปัญญาบารมีนะอุริยะบารมีขันติบารมีสัจจะอธิฐานนาเมตตาบารมีแล้วก็เบิขาบารมีอุปบารมีสิแล้วก็บารมัทธบารมีสิบในการที่จะบําเพ็ญบารมีเหล่านั้นเนี่ยต้องมีมีอะไร ต้องกํากับด้วยกรุณาและความฉลาดในอุบายและการกํากับและความฉลาดในอุบายนั้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ปัญหาเพื่อไม่ให้มานะลิถิทิเข้าร่วมในการบําเพ็ญบา ร, รมีเลยนะเช่นถ้าจาัะแสดงธรรมเพื่อเป็นภาวนานผู้สน<ๆ>ก็ต้องระวังไม่ให้ตัญหามานะทิถิเข้าแทรกใจในขณะที่สแสดงธรรมหรือในขณะที่ฟังว่าธรรมเพื่อเป็นการบ่มเพาะบา ร, รมีธรรมทั้งหลาย ก็ต้องไม่ให้ตัณหามาณฤทธิ์ทีเข้าแทรกจิตในขณะที่ปองทำหรือในขณะให้ทานบา ร, รมีเป็นต้นอะไรเนี้ยนะในขณะนั้นก็พยายามป้องกันอะไรป้องกันบาปอุตล ธ, ธรรมลามกไม่ให้เข้าแทรกสู่กระแสจิตถ้าทําได้อย่างนี้เขาเรียกเป็นบา ร, รมีแต่ถ้าหากว่ามีตัณหามาณะทธิ์เข้าแทรกไม่เรียกว่าบาเพ็บา ร, รมีฉะนั้นการสาร้างบารมีนั้นไม่ธรรมดาว่าตรงที่ว่านอกจากจะมีการสละใช่ไหม การสละเนี่ยในเรื่องของทานเนี่ยท่านพูดสองส่วนสองส่วนก็คือในส่วนของภายละทานกับอั ช, ชตาท า, ท า, านของวินด้นนะคือว่าการให้วัตถุภายนอกหรืให้วัตถุภายในอันนั้นก็ไปใครควรพิจารณานะว่าการที่จะสร้างบา ร, รมีทั้งหลายนะั้นน่ยท่านทำสองส่วนทั้งส่วนที่เป็นภายนอกและก็ส่วนที่เป็นภายในนะนหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ภายในบางคนวุ้ยทาเรียบร้อยเบเสร็จทำละเคยถามหลาหลายคนนะ บอกเออเนี่ยพาหิรัฐทานทางภายนอกให้มาเยอะแล้วทางภายในโโยมให้เรียบร้อยแล้วถามไไปแจ้มความจนงว้เรียบร้อยบอกจากศราบศอบไมเรียบร้อยก็ดีเหมือนกันวิธีคิดแต่บางคนก็ไปให้เลือดนีห้ลนี่นี่คือคือบารมีทีนี้ตามควาเพียตามบารมีเป็นต้นนะที่บอกว่าเออบารมีมีความหมายว่าอย่างไรเีเนี่ย คืออะไรกับบรารมีมีคนอารรทาั้งหลายก็ บ, บรารมีเพราะอัตวะกันไรพระมหาสัตว์หรือพรโพ ธ, ธิสัตว์เป็นผู้ยอดอย่างยิ่งนะสูงกว่าสัตว์ด้วยอะไรด้วยประกอบคุณวิเศษมีทานบรารมีศีลบารมีที่ท่านสูงสูงเพราะอะไรสูงเพราะทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมาบรารมีเป็นต้นโอ้นีพามาเป็นแถวแกลยอาาัอลคือเนะมื่อกี้แสบตาไมมีอะไรแสบตาเนือเข้าต่างแสบตาเมื ย่งไปมองอ้พรร้องไห้แทนแสดงครรมคือคือคือเงื่อนธรทอดเงือนเช็ดเลินเป็นเงื่อจริงคือเวลาพิ่งมากๆนะพพมากๆก็หนครับ ที่นั้นบรารมีนั้นท่านจะบอกเพราะอัทธว่าประลัยในการบําเพ็ญทานเป็นต้นเรียกบารมีว่าเป็นหน้าที่หรือการกระทําของบรมบุคคลนะซึ่งได้แก่พระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์หรือบรมบรมโพธิสัตว์เรียกหนึ่นี่ก็เรียกว่าบารมีหรือเรียกว่าบรมบุคคลเป็นบุคคลที่ประเสริฐแค่นั้นบรมบรมบุคคลได้แก่มหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ เพราะเป็นผู้สูงสุดในยมพ่ะบุคคลทั้งหลายในการผูกพันกับคุณต่างๆเพราะโพธิษัททั้งหลายท่านจะผูกพันกับคุณผูกพันกับทานผูกพันกับสีถามว่าชีวิตของเราผูกพันกับใครผูกพันกับบ้านที่ผูกพันกับบ้านคิดอยากจะบริจาคบ้านไ้มไม่ได้คิดเลยนะแต่พระโพธิษัท์ท่านคิดจะบริจาคท่านผูกพันกับบารมีท่าไม่ได้ผูกพันกับสิ่งอื่นแล้วก็มานั่งคิดโอ้แค่วิธี วิธีเข้าไปผูกพันนี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหม <c oughs> ใจเรานี่ผูกพันกันค่ะถามว่าพวกบริษัทสนถ้าผูกพันสิ่งใดท่านก็จะสละสิ่งนั้นสังเกตไหม <c oughs> ถามว่าท่านผูกพันกับทาอะกับวัตถุสิ่งของทั้งหมดให้สังเกตดูนะแต่ะชาติที่ท่านมุงเพ่งมาท่านสละท่านให้ท่านบริจาคไปเสร็จต่อมาถามาตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเนี่ยโอ้โหเป็นที่น่ารักยิ่งๆเลยใช่ไหม ถามว่าอะไรจะเป็นที่น่ารักที่ินดีเท่ากับตามหูจมูกลินกาใจของตนเองล้มเนี่ยฮะผูพกพันกับสิ่งนี้พระองค์ก็น้อมสิ่งที่รักไม่ใช่เอาสิ่งที่เสียให้เขาเน่เอาสิ่งที่ตนเองรักให้ลักษณะนี้แม้ในชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยนะถามว่าพระนางกิมพาเออพระนางเออพระนาง ม, มัซีเนี่ยถามว่าผูกพันกับพระองค์มายาวนาน เป็นคู่บุญบา ร, รมีเลยไหมเห็นไหมถ้าไม่ได้สละคู่บุญบา ร, รมีให้เป็นทางจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ผูกพันแล้วสละเลยแต่ถ้ามองนี้เนี่ยสายตาของคนบางคนมือใจดำเลยเลใช่ไหมแต่นั่นแหละถ้าคุณจะเป็นพระพุทธเจ้าได้คุณต้องสละบุคคลที่เป็นคู่บุญบา ร, รมีเลยข้งเขียนไว้ตอนนาำพินพานตอนที่จะปริญพาน นางเวมรีอีนะอย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านผูกพันแล้วท่านสละเนี่ยท่านสละนั่นแปลว่าให้นางได้บุญนะว่ า, นาเนี่ยทําบุญอันเนี้ยถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยถามว่าทําไมไม่ยอมสละท่านแรกมาซึ่งสมางมาสมมริยาให้กับพระมหาศักกับพระโพธิสัตว์พระนางมัตสีเต็มใจอยู่แล้วใช่ไหมชื่นใจด้วยปลาโมดีติปสัสสติความสุขเกิดขึ้นด้วย บอกว่าจะไปให้เป็นทาาไทยหรือจะให้ตัดคอถวายชีวิตพกะนางในชาติสุดท้ายบอกว่าก่อนนางจะบลีนิพานบอกให้ภารณนาคุณของนางบ้างไหมว่านางนี่สละชีวิตให้กับพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่เนะี่ยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าพระเจ้าก็ภารณนาคุณที่นางโคตรอย่างนั้นไม่ใช่ทวงนะเรามองกอีกที้ท่านเนื้นเธอเธอทวงบุญคุณพระเจ้าก่อนจะบรินิพานในชายิเลยท่านต้องการชี้ให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยสัพพัญญุตญาเนี่ยแรกมาด้วยด้วยครัไม่ใช่แรกแค่คนเดียวนะคนที่เกี่ยวข้องในการที่จะร่วมสร้างกับท่านเนยต้องคอยแลกไว้ด้วยนะถึงจะได้มาถึงสัพพัญญุตญาไม่ใช่อาศัยปัจจัยปัจจัยเดียวนะในการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนในธรรมมาพูดมืวานที่บอกว่าถ้าโดยสํานวนก็นําประชุมเลยใช่ไหม นั่งประชุมกันนะเอาคุณจะรับตาแหน่งกันแล้วจะมาคุณจะรับตาแหน่งกันเลยเนี่ยนองอย่างนั้นเลยอนะ่ะเหมือนอย่างนั้นใช้คำว่าเหมือนถ้าบอกอุย๊ยผมยังไม่เชื่อน้ำยาคุณหรอกก็ไม่เป็นไรก็สร้างบารมีต่อไปจนกว่าเขาเห็นว่าเนี่ยท่านผูน้นี้แน่แล้เขาก็เริ่มปรารถนาที่จะเป็นอะไรต่างๆในการที่จะปรารถนาร่วมกับเพื่อจะฟังธรรมจากท่านผูน้นี้เป็นต้ยไม่ธรรมดาจริง ในการที่กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเขามั่นใจที่สุดก็ในวันที่พระพุทธเจ้าได้ทุกต้<ๆ>พยากรเป็นครั้งแรกนั่นแหละโอ้โหสัตว์โลกมั่นใจว่าท่านคนนี้เป็นแน่นอนเพราะวาจาของพระพุทธเจ้านั้นตรับหนึ่งไม่มีสองเห็นไมเหมือนโยนก็หนขึ้นไปในตอกลมไม้อย่แนนอนสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วตายแน่นอนไปด้วยหรือเปล่างห็นไหมหรือว่าสังขารมีความไม่เทียมเป็นทุกเป็นหน้าตายอย่างแน่นอนไปตัวนี้ นั้นความแน่นอนเหล่านี้ฉันใดเพราะว่าเจนะพระวจาะวจาของพระผู้มีพระาจาร เ, เจ้าว่าฉันนั้นเหมือนพระเจ้าอะไรับปากกับพญามารว่าจะไปผพานภายในสามเดือนไม่ใช่อยู่ๆมาต่อมาอาจะถ่ายโคตรเดี๋ยวขออยู่อีกหาวันไม่มีนะใช่ไหมนั่นแหละคือเพราะว่าเจนะของพระพุทธเจ้านั่นนะแหละตรัสคําไหนออกไปแล้วก็แน่นอนทันทีตรัสว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าอีกเสระสงขายยิ่งด้วยแสนกับอย่างนี้ก็เป็นจริงๆถ้าอย่างนี้แปลว่าแน่นอนแล้วถ้าแน่นอนแล้วหลายคนแล้ว เอาแล้วีใช่แล้วท่านคุญแต่ถ้ายังไม่ได้พยทบียาวกรเนี่ยโอ้ไ ม, ม่ไม่ค่อยมากเอะคนก็ไม่ค่อยมาฉะนั้นในลบากมีทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในอดีตทั้งหลายเนี่ยโธิสัตว์ทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นพระระดับพระสัมปรารนาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาปัรจริมพุท ธ, ธาแล้วก็สาวกข้าพุท ธ, ธาต้องผูกพันกับบา ร, รมีอย่าไปผูกพันกับสิ่งอื่นถ้าผูกพันกับสิ่งอื่นแล้วจะทาให้ชีวิต ผิดทางนะผิดทางนะจะหลงที่ย์หลงทารมะต้องผูกพันกันบบารมีทั้งหมดผูกพันกันอะไรมากมากก็บริาจาคสิ่งนั้นเยอะๆได้ไหเอาไ่นั่งคิดที่ตอนนี้ผูกพันอะไรมากแต่ไปก็ไปบอกยอผูุ้ญแจเอาไหมบุผูกพันธุณมากเงินช่วยขอบริาจาคเต็มทันงการไม่มีแค่เอาประกาศท่า ล, ลอบไม่มีแค่ว่าเอายืมหนึ่ง เขาห้ามเขาห้ามบริจาคสิ่งที่ไม่ชอบแล้วทานไม่บริสุทธิ์ไม่บริจาคยิงไม่ไ้แสิ่งที่ชอบเนยรักโหมที่สุดเนยสิทีาไม่ให้บริจาคย่างนีน้อันนี้จนเอามาเพลิเล่นงานะะแล้วบริจาคไม่มีใครเอาเอแล้วนะอันนี้ไม่เป็นบา ร, รมีบา ร, รมีต้องไม่มีอะไรแทรกนะไม่มีตันหาไม่มีมานะ่าแล้วไม่มีที่กีกะแซรกอย่าลืมเขา ตรงนั้นนั่นแหละจะต้องบอกว่าบารมีมีธานบารมีเป็นต้นนะมีทานาบารมีเป็นต้นทีนี้ว่าการบรมบุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้สูงสุดในพวกบุคคลทั้งหลายด้วยการผูกพันกับคุณทั้งหลายผูกพันกับธานบารมีศีลบารมีเนคขมาบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจารมีธี่ฐานบารมีเมตตาบารมีและเวขาบารมีถ้าผูกพันกับบารมีเหล่านี้ ทั้งุปปาลมีและกับป ร, ปรมัตถะบารมีถ้ายังไม่เต็มก็ทําให้เต็มเนี่ยนะเขาผูกพันในลักษณะดนี้ฉะนั้นจรเรียกว่าบารมีมีทานบารมีเป็นต้ น, นจึงเป็นไปในรักนะฉะนั้นบุคเขาจึงบอกว่าอีกอย่างหนึ่งบรมบุคคลนะผูกสัตว์อื่นไว้ในต้นด้วยนะถามว่าเออเมื่อ บ, บรเพ็์บารมีทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าผูกพันกับบารมีกับทานบารมีเป็นต้นอย่างเดียวเนี่ยทนะ่ายังผูกสัตว์ไว้ในตนด้วยถามว่าให้ทานเพื่อให้ทานเพื่อ เวลาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านแจกทางไปตอนที่ท่านสร้างบารมีเนะี่ยท่านท่านแจกไปเพื่ออะไรรู้ไหมแจกหวานไปหาเวนัยชนหาเวนัยศัสตร์ของท่านท่านบุคคลใดที่ได้รับทางของท่านแล้วท่านบุคคลนั้นก็จะมีจิตผูกพันกับท่านคือมีความรักในกระแสขันของท่านคนนี้ใช่ไหมความรักความศรัทธาที่ตั้งในกระแสขันของพระโพธิสัตว์นั่นแหละ อัธยาศัยที่ได้เริ่มตั้งเขาไว้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนดีนะได้เคยให้ทานเราได้เคยให้วัตถุสิ่งของเราใช่เคยให้วัตถุทานแกเราเคยให้ธรรมทานแกเราเคยให้อภยธานแกเราทั้งหลายเป็นต้นอลไรเนี้ยพอให้ไปแล้วผูกผูกสัตว์ไว้มั้ยผูกใจสัตว์ไว้เหมือนท่านบอกว่ามีให้ไว้ตอนนี้เราเราให้ท่านคือให้ทานเนีย ให้ทานให้วัตถุทานเพื่อให้ท่านพน้พนทุกในปัจจุบันเนี้แต่ต่อไปเราเป็นพระพุทธเจ้าเราจะเอาพระธรรมทานที่ยอดเยี่ยมมาแจกให้ท่านแล้วท่านจะได้พ้นจากวัตรทุกจริงๆไม่ได้พ้นทุกชั่วคราวอย่างวันนี้นี่ท่านโผล่สัตว์วะเตรียมไปไไผูกไว้กันนี่ยังหน้าโผล่ไหมหน้าจะผูกไว้ใช่ไหมอยากคิดบรรลุคนเดียวโผล่คนอื่นไว้ด้วย ชวนคนอื bist, ่นตาวไปด้วยเนี่ยไม่ก็ผูกกันไว้ไงนะเห็นไหมว่าแม้แต่บางครั้งเป็นเพื่อนกันเนี่ยถามว่าภาษารีบดกับพม่าคารานะท่านผูกกันไว้มั้ยท่านผูกกันไว้มห็นท่านเป็นเพื่อนกันแต่ท่านก็เอาว่าถามไปผูกกันกันไว้นี่ยเอาไปผูกกันไว้แล้วท่านไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนก็ได้บรรลุเห็นไหมฉะนั้นการที่เราให้เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่า have, ให้แบบมีเป้าหมายให้แบบมีไม่หลงทิศไม่หลงทางใช่ไหมให้แบบเป็นบารมีจริงๆก็ให้แบบนี้ ยี่หวังไหมหวังแบบนี้เป็นกิเลสไหมพ่อหวังให้สัตว์นั้นพ้นทุกข์ไม่ได้หวังให้สัตว์นั้นจมอยู่ในวัฏฏะทุกข์แต่ถ้าให้ไปเพื่อให้เขาไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายเนี่ยให้แบบนี้ให้ไม่บริสุทธิ์แต่อัธยาศัยของพระบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ให้วันนี้แล้วมันจบมันแค่วันนี้ท่านให้แล้วก็ท่านผูกสัตว์ไว้ในตอนนว่าเออทำอย่างไรหนอยเราจะช่วยเขา ความทุกข์ของสัตว์เนี่ยเป็นความทุกข์ของตอนเองตอนเองทุกไม่เป็นไรแต่สัตว์โลกทุกข์แล้วตนเองคนไม่ได้ทนไม่ได้ก็เหมือนกับที่บอกว่าเราพ้นได้แล้วจะทําให้ผู้อื่นพ้นด้วยใช่ไหมเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเป็นตรร้นอะไรเงี้ยเราตัดกระแสะของวัตฏะได้แล้วจะทําให้คนอื่นตัดกระแสะวัฏฏะเป็นต้นเราละลาข้าโทรศัพท์โมหะได้แล้วจะทําให้บุคคลอื่นละลาข้าโทาารศัพท์โมหะเป็นต้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกขู่ใช่ไหมการุณาแรงถ้าอย่างเราเนี่ยระหว่างเราหิวจัดจัดนึกถึงคนอื่นก่อนไหะคนอื่นเขาจะกินอะไรหรอชิดไหมไม่มต้องคนอื่นมากเอาในครอบครัวที่แอบกินเลยกันไหทั้งหิวจัดแล้วไม่ไหวแล้วต้องแอบกินก่อนกินสเสร็จแม่การุณาเพเกิดน้าใจเพราะเวชนารเกิดเลยรทีนีเกิดอยากจะบริจาคแต่มันิมหมดแล้ว อย่างนี้เป็นบุญไหมบุญบุญน้อยกําลังบุญน้อยมันต้องเกิดก่อนมันต้องเกิดก่อนแล้วโดยมากเป็นอย่างนี้นะโดยมากจะให้ทานแล้วของเหลือใช้หรือของที่ของที่หงเห็นเนี่ยทานทังเกเลือแต่าทานของแต่าทานของพระโพธิสัตว์เป็นทานที่ไม่ใช่แบบนี้อันนี้เราหมงแค่นี้ค่ถามว่าทานบารมีทำยากไหม ยากหรือง่ายท่านบอกว่าทานนั้นเป็นการทานนั้นทาง่ายท่านจึงกล่าวไว้เป็นในระดับต้นดแต่ง่ายกว่าศีลนึ่ง่ยังไม่จะพูดอีกาบกง่ายยังง่ายกว่าศีลนตรงนี้ก็คือว่าการขัดเกลาสัตว์อื่นให้หมดจอดจากมลทินเนีก็หมายความว่านอกจากนั้นท่านยังประกอบไปด้วยคุณวิเศษด้วยนะแล้วก็ขัดเกลาสัตว์อื่นให้หมดจากราคะโทสะโมหะย่อมถึงพรนิพพานนันประเสริฐที่สุดด้วยคุณนวิเศ ษ, ษ หรือกำหนดรู้โรคอื่นเข้าลดจากโลกนี้ได้คุณในวิเศษเป็นต้น น, นั้นก็เป็นอย่างเป็นเพื่อกําหนดเป็นต้ น, นลักษณะนั้นก็เป็นบุคคลนะี่ท่านที่สร้างบา ร, รมีทั้งหลายก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ประการต่อมาท่านจะมาถามในเรื่องของบา ร, รมีมีจมานวนเท่าไรก็มี10่งต่างที่ได้กลานะ่าวเนี่ยก็มีทานศีลเดชขมาปัญญาวิริยคันติสัจจะที่ฐานนะเมตตาแล้วก็เวขานั้นคือพุท ธ, ธาการธรรมทั้งสีประการนี้พระพุทธเจ้าประตรัสบอกว่าดูก่อนสาธุบุตรนะ บอกว่าบารมีต่างๆเหล่านี้มีทางมาบารมีเป็นต้นมีเสิบ ป, ประการมีที่ได้กล่าวประการต่อมาก็บอกว่าเออในบารมีลำดับของบารมีเป็นยังไงก็บอกว่าลำดับลำดับการแสดงลำดับนะลำดับการแสดงนั้นมีเหตุแห่งการสมาทานก่อนการสมาท า, า, า, านมีเหตุคือการพิจารณาเนะี่ยเจ้าามบอกว่าเออทำไมทําไมพระโพธิสัตว์จึงสมาทานบารมีเหรอ ทำไมท้สมาทานอะไรเป็นปัจจัยแก่การสมาทานทำไมพระโพธิสัตว์ตอนเป็นสุมเมธาดาบทท่านจิงสมาทานทานบารมีสิบบารมีเนคขมาคำว่าสมาทานตั้งใจไม่เกินอะไระสมาทานสนิเนี่ยก่อนมาสมาทานสิเนี่ยวันนี้สมาทานแล้ว น, าา น, วนการสมาทานคืออะไร การสมาทานคือความตั้งใจ ใ, ในการที่จะ ร, รักษาศีลถามว่ารักษาศีลทำไงก็คือเอาศีล น, นามาเข้าสู่กระแสะทําให้ศีลนั้นเกิดบ่อยๆไหมทำให้กุศลศีลนั้นเกิดบ่อยๆและเกิดอย่างต่อเนื่องไหมเกิดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมถ้าเป็นไปไปด้ทําให้เกิดได้แทบทุกอารมณ์ได้ยิ่งดีไหม ยิดีไหมนั่นแหละศีลมันพัฒนามันเกิดขึ้นมันเกิดลักษณะอนี้ครั้งว่าท่านสมาทานบา ร, รมีก็แปลว่าท่านเอาบา ร, รมีเหล่านั้นมาเกิดในใจองท่านแล้วก็ให้ออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เป็นไปกับทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนี่ยท่านสมาทานถามว่าก่อนที่ท่านจะสมาทานนั้นอะไรเป็นปัจจัยเหตสาวสมาทานการพิจารณาใช่ไหมการพิจารณามี2 อ, อย่างพิจารณาโดยโยนิสม น, นสิการะโยนิสม น, นสิการท่านพิจารณาโดยอะไร โดยโยนิสโสมมานสิการเนะี่ยฉะนั้นโยนิสโสมมนสิการที่ท่านพิจารณาท่านพิจารณาประเภทอะไรดีการณะมนสิกาใช่ไหมประเภทลักษณะอย่างนั้นพิจาาเหตุปัจจัยการพิจารณาของท่านนะั้นน่ะก่อนที่ท่านจะพิจารณาบารมีหรือพุทธการกรรมทั้งหลายเนะี่ยท่านได้รับอะไรพุทธเรียกรจากพระธีฟังกรสำ ม, มาสมพุทธเจ้าถามว่าปูญเหตุสรุป ง, ง่ายๆตรงนี้ไม่ต้องเล่าอะไรละเอียดใช่ไหม สรุปง่าก็คือว่าเราฟังกันมาบ่อยมากก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระทีปังกรสามาถึงพระเจ้าพร้อมเด็กพระะอรหันต์ตระสาวกสีสันรูปใช่ไหมท่านสเสด็จดําเนินมามาโปรดประชาจนในเมืองรามนาศนครรา ม, มนานครที่นี้เนี่คราวนั้นอ่ะตอนนั้นที่พระพุทธเจ้าตัสรุและพระเทศนาธรรมาจากให้เป็นไปนั้นอ่ะหรือตัสรุนั่นอ่ะสุเมธาดาบทไม่ได้ยิน ทำไมถึงไม่ได้ยินอยู่ในสมาบัติเพราะการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าี่ถามว่าโลกสเทือนสะทานโลกสเถือนสะทานเวลาแสดงธรรมจักให้เป็นไปโลกสเถือนสะทานที่เวลามาก่าบธรรมจักทาไมไม่เห็นสเทือนเราเตะโนาธรรมจักหมทธรรมจักเระนสูดเนมาชอบสาธยายเ่อสาธยายที่ไม่เ็ใจเทวเทียวดาท่านโค้งแอบสะเทือนบ้างไหน แต่มาลรว่นฟังไม่ ada, ฟังไม่เฉยๆท่านกเพิ่อแปลกดเพราะในธรรมจักรก็เพราะว่าในสูตรที่พระบรมศาสดาทรงเทศนานั้นน่ยพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนานั่ในปฐมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนานั้นเนี่ยท่านในปัจจุบันในภพนี้นี่ยท่านโกนท่านยได้ยวงตายุ่นทามพร้อมได้รงมีกสุดแต่โกยังไม่ได้นับเดือนใดนี่เนี่ก็แปลว่าโหเขารุลนกันยังมากมาก็ลือกันเป็นทอด ยันาระวะักขโพนึงทีนี้ทีนี้พราธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยในลักษณะอุบัติเกิดขึ้นในครั้งนั้นก็คือสมัยทาดาบดก็ก็ไม่ไดีตอนนั้นต่อมาพวกโรมาศาสดาเจษเสด็จมาในละมณะกรชาวเมืองรั่วพวกโรมาศาสดาเจษเสด็จมาตามคนก็แพ่วถามทางทาหมนทาง ถ, ถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมปกติพวกโรมาศาสดาเ ส, สด็จไปหน้าที่ไหนก็จะเป็นไปรักษาเนี่ ถ้าใครไม่แพ้ไม่ถามให้ก็เทวดาก็ทํำให้ถ้าเทวดาไม่ทาให้พุทธบารมีของเป็นยาก็ก็ก็ไม่ต้องไปเหยียบต่อเหยียบถามนั้นคือความอัศจรรย์ของรูปรูปแบบรูปรูปการของพุทธเจ้าที่ไม่ได้สัมผัสในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ในครั้งนั้นก็คือว่าสุเมธาดาบดก็หอมมาตอนเป็นตาวดก็หอมมาก็เอาพอเห็นพอเห็นไปเสร็จก็ลงไปถามเขาว่าเขาทำอะไร พอรู้ว่าพะพุทธเจ้าเกิดเกิดขึ้นไหมอัธยาสาัยยาวนานเนะี่ยคิดในใจเจ็บเปล่งวาจาเก้าสิบประสงค์ขายได้ยินได้ไหมคำว่าพุโทโธแต่ยินไม่ได้เลยนะคำนี้เนี่ยรกระตุ้มเตือนแรงมากไม่ใช่ธรรมดานะเราลองลองไปนั่งคำว่าสัมมาสัมพุโทโธสักสักห้ารอบนี้มันมีความรู้สึกนะอยงนเาะพระพุทธเจ้าเนะี่ย ส, สัมมาสัมพุทโธ ส, สัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธบางคนบอกอีไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเฉยเฉยตลอเลยว่าเห็นไหมว่าแต่คนที่เขาสร้างบา ร, รมีมาเนี่ยแม้คําว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ ส, สีแล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามด้วยแค่นี้ก็โอโหมหาศาลแล้วพ่าท่านขยายได้เป็นร้อยในพันในในคําคําเนี้ท่านขยายคํานี้เป็นร้อยในพันใน แต่เราฟังแล้วมันติดอยู่สักคําเดียวแล้วยังคิดไม่ออกเนี่ยนะมันเลยคาหมดปีติปสัสท h i ความฉุกสมาธิปัญญาไม่เกิดก็อย่าแปลกใจใช่ไหมทีนี้ที่ท่านสร้างอัจฉริยะใสามาอย่างยาวนานอย่างนั้นเน่ยพอได้ยินคํานั้นแหะท่านก็บอกว่าท่านจะถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเขาเห็นว่าท่านเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายท่านก็ให้สถาน ท, ที่ที่ยากที่ลําบาก ท่านก็ไม่ใช้ฤทธิ์แล้วถ้าทาอย่างนั้นบุญกุศลจะไม่มากท่านก็ใช้น้ำเสือที่ท่านใช้น่องผมเพราะท่านเป็นนักบวชประเภทกำมวะทีเชื่อกรรมและผลของกำเนนั่นแหละท่านก็ทําในส่วนจริงๆถ้าทำไม่เสร็จตั้งที่ได้กล่าวพระเจ้าโดยพรจากพิสูงจน์สี่แสนลูกก็เสด็จหนท่านก็น้อมเลยได้จังหวะได้โอกาสในการที่ท่านจะถวายชีวิตเป็นทานแล้ว เพราะท่านให้มาอย่างยาวนานและเรื่องชีวิตที่ผ่านมาท่านก็ให้เมชาก่อนหน้า น, านั้นท่านก็เคยให้มาแล้วใช่ไหมในกรณีที่ท่านไปพิจารณาตอนที่ได้เห็นมเมษที่กาวก่อนก่อนการคิดในใจที่ท่านเห็นแม่เสือคลอดลูกออกมาแล้วจะกินลูกของตนเองที่ตอนนั้นท่านไปยืนอยู่บนหน้าผาพร้อมกันกับพระีิยยมิตยัยสมัยเป็ น, ร น, นกรโพธิสัตว์นี่กันตอนนั้นเป็นสิทธ์คนโตงท่าน แล้วตอนนั้นน่ยสิทธงท่านอีก400กว่านี่นะก็ไปหาประราชนิยังไม่กลับท่านเห็นแม่เสือทำท่าจะกินลูกของตอนเองดูปฏิกิริยาน้องจะกินลูกของตอนเองก็บอกสิทธคนโตให้ไปหาเสศษเนื้ก็จะให้อาหารเพราะสงสารลูกในขณะเดียวกันเมื่อสิทธไปแล้วในปังยาวท่านมากท่านก็ไข้ควรท่านใข้ควรถึงสังสารวัตรเนี่ยสังสารวัตรว่า มืพิจารณาในกรณีที่บอกว่าสังสารวัฏเี่มันกินกันอย่างนี้นียมันประทุสร้ายกันอย่างนี้นีมันข่มเหงกันอย่างนี้นะสัตว์โลกเนี่ยบางครั้งยังไม่ทันข้ามพบข้ามชาติแม่กับลูกก็เบียดเบียนกันอย่างรุนแรงพ่อกับลูกสามีภรรยาใช่ไหมลูกกับพ่อลูกกับแม่เป็นตัวหนึ่งสารพัดเบียดเบียนประทุสร้ายึกันและกันไม่ต้องไปกล่าวถึงว่าจะข้ามภพจากันไม่ได้ ฉะนั้นพร้อมที่จะเป็นศัตรูกันเมื่อไรก็ได้เนี่ยนี่คือสังสารวัตรที่น่าบูมมากเพรมองอย่างนี้ละสังเวทใหญ่เกิดขึ้นกับท่านใช่ไหมสังเวทะอย่างใหญ่โตได้เกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านเลยเราก็เห็นเยอะแยะใช่ไหมปาช่อนกินลูกปลาช่อนย่านี้ไม่เห็นสะดุ้งสะเทือนอะไรใช่ไหมหรือเราเห็นเยอะแยะไปหมดสุนัขที่มันมันกินอาหารอยู่ลูกของมันไปแย่งแล้วมันกัดจ้ตายก็มีอย่างเงยอะไเงี้ยเราก็เคยเห็นก็เห็นไม่เห็นสะดุ้งสะเทือนอะไรมาก เพีนอยอย่าไปว่าแล้วมันเลยสัตย์ได้จ่าแต่ท่านกลับคิดอะไรได้แล้วท่านคิดถึงกิเลสไม่น่ากลวัวกิเลสเห็นน่ากลัวราคะโทสะโมหะใช่ไหมแล้วก็พูดถึงในลักษณะว่านี่ไงอวิชาเนี่ยที่เป็นราชาธิบดีเนี่ยนะเป็นอธิบดีเป็นพระเจ้าเป็นดินปกครองปกครองกายเยนครเนี่ยมันก็คอนโทรลกายเยนนครทั้งหลายทั้งรูปประกายนามกายทั้งหลายมัน มั น, เ ป, นเป็นใหญ่จริงๆนะอวิชาเป็นใหญ่เป็นราชาเป็นราชาที่รากเนี่ยทีนี้มันมีอามาตคู่ใจก็คือว่ามิชาทิถีเป็นธรรมววิชยัยคอยป้อนข้อมูลอย่มะไอตัวมิชาทิถีเนี่ยมันก็คอยป้อนข้อมูลให้วิชัยผิดอยู่เรื่อยขนาดฟังพระสัตธรรมของพระเจ้ายังวินิจฉัยผิดไอตัวมิชาทิถีนี่มันคอยให้ข้อมูลเนี่ยคอยกรซิบใช่ไหมกระซิบบอกอวิชา แล้วก็ตัดสินตูนงเลยเพราะเข่วมกันมากขวิจัยออกมาในสือจริงๆกขวิจัยไปนะไปมิจฉาทิฏฐิเกิดแล้วก็อะไรตามมาันมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากามันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายะมะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิตามเรื่องมิจฉาวิมุตติเอาเนี้ยเป็นไปลออกนอกแถวออกนอกรูออกนอกาออกางเพราะอะไรเพราะ โมหะเป็นราชาทิบุต ป, ปกครองกายนาอนอยนครนนี่มั้งมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมวิริชัยบรรดาเกเลตอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเป็นเหล่าสมุนของเขาอีกมากมายมีประเภทณี ม, มานาทิฏฐิวิจิตริชาอิริกากรนรตะปาอุตจะกร์กเยอะแยะมันปกครองกายยนครของกัจจาของสัตว์โลกเนี่ยมาอย่างยาวนานในสังสารวัตร คิดดูที่มันทําเราทั้งหลายหลมทิศหลงทางมามากกว่า20ประบอสมัยแล้วท่านดมั้นและถ้าหากเราปล่อยให้โมห oh ะเป็นราชาธิบดีปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิเป็นทํทาหน้าที่เป็นธรรมวิชัยมันก็จะครอบครองกายยานครณนี้ให้หลงทิศหลงทางไปอีกเลย20ประบอสมัยเลย40ประบอสมัยเลย80ปดสิบอสมัยและไม่ไม่ชะดุ้งกันบ้างหร ไม่กลัวกันบ้างหรว่าว่าเราจะยอมอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมทำไมไม่ลุกขึ้นมาเจริญพุทธคุณกันจะดีใช่ไหมเออต้องพลึกมลลึกถ้าเราละลึกหรือเจริญพุทธคุณไม่ได้แล้วเราจะปฏิบัติตามพ่าธรรมะคุณได้อย่างไรแล้วเมื่อปฏิบัติตามว่าธรรมะคุณไม่ได้แล้วอริยคุณจะเกิดขึ้นในใจเราได้ มันก็ไม่ใช่ฐานะแล้วก็ขนาดพุทธคุณยังคิดไม่ได้แล้วแล้วจะศรัท ธ, ธาเนี่ยพระธรรมของท่านนะก็ดูเหมือนว่าศรัท ธ, ธาแค่นั้นใช่ไหมเพราะเราศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าน้อยเนะี่ยต้องยอมรับเนะี่ยน้อยน้อยกว่าศรัท ธ, ธาตนเองเราศรัท ธ, ธาความคิดของพระพุทธเจ้าน้อยกว่าความคิดของตนเอง ให้สังเกตดูด้วยว่าถ้าถ้าจะให้คิดไปตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอย่างอธิบดอย่างเนี้ยอาณมาเป็นพระเอาอาณมาเป็นเกณฑ์เลยเอาคนอื่นปเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เพราะไม่ก็เห็นไปหาหมอเห็นไหมพอหมอบอกโอ้โหเนี่ยโรคของท่านเนี่ยไม่ได้แล้ว ท่านจะต้องโ อ, อ, อ้ท่านจะต้องกระทําบางอย่างที่มันมันมันผิดศีลนะเจอมั้ยถ้าอย่างนั้นไม่หายนะโอ้คิดหนักเลยกลับมาเจอมั้ยกลับมาแล้วคิดหนักถ้าท่านทําอะไรที่ <c oughs> จะเอาศีลหรือเอาชีวิตมันน่งคิดเจอมั้ยเอาจรเอาศีลหรือเอาชีวิตเนี่ยถ้าเอาศีลเชื่อพระเทเจ้าถ้าเอาชีวิตเชื่อเรา ใช่ไหมเพราะมิจฉาทิฏฐิมันเป็นธรรมวิชายมันจะมีข้ออ้างเยอะเหมือนเราอ้างโอ้โหเไม่ได้เราในยุคปัจจุบันนี่เราจะปฏิบัติตามเสนของพระเจ้าไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนมาแล้วมตั้งสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมบางครั้งก็ต้องุโลมตามโลกอนิยมตามสมัยบ้างนไหมเนี่ตามมิจฉาทิฏฐิตามเอเป็นเป็นเป็นตัววิชายเนี่ยมันก็คิดขม้นมาอย่างนี้แค่นี้ก็รังเลยมนรู้ันจะรังเลย ถ้ า, าว่าคนที่เขามั่นใจเนี่ยเขาไม่ต้องคิดมากอุบัติยังเราต้องมาตึกมาตรองมาไขโคนมาคำนวณจริงโอวยเอาอย่างไงดีนยะบางคนหมายว่าถูกวิจาทณิตรีก่องก็อีไปใหญ่เลยนีดถ้าอาจจะรักษาชีวิตไว้ได้ท่านจะเจ ร, เจริญกุศลไปเย อ, อนะเออกุศลในปัจจุบันไม่เอา嘛เอกุศลในปัจจุบันไม่เอาจะไปเอากุศลในอ น, นาคตแน่นอนไหมเนี่ย ไม่มีความแน่นอนเลยนะบุษฎ์นีานาคนเนี่ยพระพุทธศาตวาทั้งหลายตอนที่ท่านอยู่บนหน้าผาท่านคิดทันทีเลยนะท่านก็คิดบอกว่าถ้าหากว่าเราปล่อยพอท่านคิดพิจารณาเบ็เสร็เล่านีนะ้แล้วก็ท่านพิจารณาทังกายที่มีความงามเลยเนะี่ยที่มีความไม่งามใช่ไหมเต็มไปด้วยของไม่สะอาดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเ ย, เยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจไตตับเป็นต้เนเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปล่อยทิ้งเข้าไปเดี๋ยวมันก็เสียหายหมดเดี๋ยวมันก็วิบัติหมดแล้วใช่ไหมมันเหมือนอาหารเนี่ย อาหารที่มาถวายพระเนี่ยตั้งแต่เลพลนไปแล้วนี่ยพระประันไม่ได้นะถ้าเลยจากนั้นไปพระก็ให้ทานไม่ได้แล้วถวายกับพระเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้แล้วท่านทำยังไงล่ะใช่ไหมต้องรีบทาําซะก่อนนะั้นต้องรีบสลดัดซะตอนนั้นเหมืนเหมือนสมัยก่อนมีคนเอาเอายีวอนมาถวายไปก็เก็บเก็บลืมเนี่ยนะพอลืมไปเสร็จไปดูเอาผูกซะแล้วนี้แล้วไม่ได้ให้ทานเลยไหมเนี่ย มันเลยเวลาเลยมันให้ไปแล้วฉะนั้นถ้าจิตมันเกิดศรัทธาขึ้นมามันเบี่ยงเบนได้ง่ายนิดเดียวแลนะ้อท่านก็เลยว่าพิจารณาดูาต่อมาท่านก็เกิดศรัทธาพอศรัทธาขึ้นมาก็น้อมในการที่จะเป็นพุทธบูชาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ท่านบอกว่าศรัทธาในการที่ปรารถนาเป็นพระุทธเจ้าในความคิดตรานี้หาความแน่นอนไม่ได้เป็นด้วยเมื่อท่านคิดในลักษณะเป็นเสร็จแบบแบบนี้แล้วท่านก็ น้อมในการสลบในลักษณะนี้แปลว่าท่านไครควรก่อนแล้วก็ท่านก็สลบอย่างนี้ชนะทางของท่านนั้นเป็นไปด้วยการสละด้วยการบริจาคอย่างนี้เป็นต้นนี่ในลักษณะนี้คือลำดับแห่งทาง น, นะลำดับแห่งทางฉนั้นท้าถามบอกว่าในการสมาทานนั้นท่านสมาทานก่อน น, นนะ เมื่อสมาทานมีการวินิจฉัย ก, ยการวินิจฉัยว่าการได้รับพุทธวิญญาณกรเบ็ดเสรท่านคนนี้จะได้ตัดสรูปอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณแต่ตอนนี้ไปเสียสงขายิง่งในแสนกับเมือ่อเบ็ดเสร็จแในที่สุดจริงๆท่านเหล่านั้นก็พากันเนดังที่เราศึกษากันมานพระเจ้าพร้อมด้วยสาวกผู้พื่อเจ้าก็าา ช, าชี้ชี้ปยากรเบ็ดเสร็จแล้วก็ท่านท่านก็ประทับศีลแล้วท่านก็จากไปประชาชนทั้งหลายก็ตอบมารบูชาพระโพธิสัตว์นะแล้วท่านก็พาไปจากไปเบ็ดเสร็จ เพราะพอทร์ก็ท่านรวบรวมสติกำลังต่างๆเหล่านี้ในที่สุดจริงๆท่านก็มาไข้ควรนั่นเลยใช้สมาบัดเป็นฐานในการไข้ควรท่านลำดับนั้นอะทางก็เป็นท่านก็พิจารณาเป็นไปตามลำดับและพุทธเจ้าก็แสดงเป็นไปตามลำดับนั้นไงทางเป็นทางที่มีอุปการะอย่างมากต่อศีลนะท่านสมาทานท่านแสดงทางเป็นเบื้องต้นนะนะทางเป็นอุปการะมากต่อศีลแล้วก็ทําได้ง่ายจึงกล่าวทางไม่เป็นในลำดับต้น ทานที่กำกับด้วยศีลเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอนิสงส์มากจึงกล่าวศีลต่อจากทานศีลที่ถูกกำกับด้วยเนกกรรมะเนกกรมมะที่ถูกกำกับด้วยปัญญาปัญญาที่ถูกกำกับด้วยวิริยะวิริยะที่ถูกกำกับด้วยขันติขันติที่ถูกกำกับด้วยสัจจะสัจจะที่ถูกกำกับด้วยอธิษฐานะอธิษฐานะที่ถูกกำกับด้วยเมตตาเมตาก็ถูกกำกับด้วยอุเบกขาฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีผลมากมีอนิสงส์มากท่านจึงกล่าวอุเบกขาต่อจากเมตตาทิ่ สันหรับอุเวคาก็มีอะไรกำกับบอกมีกรุณากำกับนะกรุณาก็มีโอเวคากำกับท่านบอกให้ทราบอย่างนี้สรุปแล้วก็คือว่าไอ้กรุณานี่ไปกำกับหมดเลยเนี่กำกับทุกบารมีเลยถามว่าเวลาท่านจะให้ทานท่านต้องมีหมากรุณาไหมท่านจะรักษาศีลต้องมีหมากรุณาไหมกรุณาใครถ้าจะรักษาศีลเพื่อตนเองพ้นทุกต้องรักษามากขนาดนั้นไหมไม่มากเลยนะถ้าจะให้ทานเพื่อปัดเป็นปัจจัยแกตนเองบ้นทุกก็ให้ทานไม่ต้องมากขนาดนั้น ถ้าจะรักษาศีลเพื่อให้เป็นปัจจัยแก้ขันอุทธเดชให้พนทุกข์ก็ไม่ต้องเอาศีลมากขนาดนั้นไม่ต้องค้นหาเสาะหาแสลงหาศีลมากขนาดนั้นท่านพุทธเจ้าคดใจต้องต้องทําทานด้วยพระเ พ, เพื่อให้ได้ทานด้วยพระเพราะคุณธรรมทั้งหลายนะมีทานบรารมีศีลบรารมีเนคขามะบรารมีปัญญาบา ร, รมีเป็นต้อนอะไรเงี้ยในโลกียะทรัพทั้งหลายที่พุทธเจ้าทำเนี่ยพุทธเจ้าไม่ด้ประทานน้โลกียะทรัพ์แต่พตุทธเจ้าประทานน้โลกุตราทรัพ ในโลกอุตละทรัพย์นั้นพริเจ้าประราถนาอะไรปราถนาสัมมาสัมโพธิญาซึ่งสูงสุดกว่าทรัพย์ทั้งหมดแล้วไม่มีทรัพย์ใดที่จะสูงเท่าสัมมาสัมโพธิญาใช่ไหมทีนี้การปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาเนี่ยส่วนโลกียทรัพย์ทั้งหมดทั้งที่อยู่ในโลกอยู่ในเทวโลกอยู่ในพรหมโลกทั้งหลายชื่อว่าเป็นทรัพย์ของพระเจ้าหมดแล้วเพราะพระเจ้าบริจาคไว้หมดสิ้นใช่ไถ้าถามถ้าพูดถึงแผ่นดินนะ ชงโพทวีบทั้งหมดบริจากหมดอุตรลกษณ์อรุทวิบปบพรวิเทหะวีปอัปราคโอยานทะวิบวิบน้อยใหญ่สองพั 2, มหมาสมุดทั้งหมดเพชรนินจินดาทั้งหมดที่อยู่ในมหมาสมุดทั้งหมดนะ่นนะที่อยู่ในดินอยู่ในน้ำเพชรนินจินดาที่อยู่ในสวงสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยนะอยู่ในพร้อมทุกชั้นอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนะี่ยสมบัตินานนประการที่มีอยู่ในโลกในเทวโลกทั้งหลายนะั้น ว่าเป็นสม บ, บัติของพรนะพุทธเจ้าคนนั้นพี่พระพุทธเจ้าไม่เคยให้ไม่เคยบริจาคไม่เคยฝากไว้นะั่นไม่มีเลยนั่นแหะคือบริจาคมากมายมาขามโหสารยิงยิ่งทไมต้องทามากขนาดนั้นทำไมต้องทํามากขนาดนั้นทีนี้ถ้าไม่ทํามากขนาดนั้นก็เกื้อกูลใช่ไหมก็เกื้อกูลบุคคลอื่นได้มีมากกุศลศีลก็ต้องมาก ดังที่ได้กล่าวฉะนั้นเวลาพระ อ, องค์จะตัดกุศลศีลให้เหมาะแก่อัธยาศัยของสัตว์พระ อ, องค์ก็เลือกเฟ้นที่กุศลศีลที่เหมาะแก่อัธยาศัยของสัตว์แล้วก็นำกุศลศีลนั้นมากล่าบมาบอกถ้าจะให้ท่านในปัจจุบันหรือผู้สอนในปัจจุบนันเอาศีลไปบอกเห็นไหมถามบางทีไม่เหมาะแก่อัธยาศัยเราเลยเนะี่ยว่าเอออัธยาศัยศีลแค่ไหนอย่างไรใช่ไหม ก, ก็ไม่เหมาะ ทีนี้การที่พระองค์ให้ในลักษณะอย่างนี้ท่านก็กล่าวในธรรมเนในลักษณะบอกว่าโลกียสสมบัติเนี่ยท่านไม่ปรารถนาแต่ท่านปรารถนาโลกุตละสมบัติและโลกุตละสมบัตินั่นก็ปรารถนาประเภทสัมมาสัมโพธิญาเพราะปรารถนาสูงสุดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยโลกียะทั้งหลายเวลาท่านมาอุบัติเกิดแต่ละชาติแต่ละ ช, ชาติเนี่ยก็ตามท่านเมลยเหมือนกับแมลงวันวิ่งตามในาพานเลยปกตินายพานไปฆ่าน เ, เนื้อนี่นะ ไปยิงเนื้อไปฆ่าสัตว์ไปล่าสัตว์ในป่าเมื่อได้สัตว์มาเป็ดเสร็จก็มาชมแหละเนื้อเนาะพอชำแหละเนื้อเบ็ดเสร็จแล้วเดถามว่ากลิ่นเนื้อติดตัวไหมอาบน้ํำยังไงก็ไม่ค่อยออกเนาะอาบน้ำยังไงก็ไม่ค่อยออกได้เนื้อเบ็ดเสร็จแล้วไปขายวัตถุประสงค์ต้องการกลิ่นที่ติดตัวหรือต้องการเงินต้องการเงินต้องการซับใช่ไหมต้องการวัตถุต้องการซับเมื่อได้รับมานั่นคือเป้าหมายจะมาแลงวันมาแรง ต่างๆทั้งหลายที่มันได้กินเนื้อติดตัวในพานทั้งหลายที่ไปฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์ทั้งหลายมันวิ่งตามเนี่ยพระโพธิสัตว์เออไม่ใช่ในพานท่นปราถนาไหมไม่ปราถนาไม่ต้องการไม่ยินดียินดีไหมแม้ไปนั่งที่ไหนแมงบันตอมเต็มอะไรยินดีไหมใช่ั้มพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านไม่เคยยินดีในสัพเลยอย่าแปลกใจถ้าท่านให้ยังไงแล้วมันนั่งแปลกใจใช่ไหมให้ได้ยังไงใช่ไหม ท, ที่ท่านบอกว่าโอ้ยเอาชาติสุดท้ายที่เป็นเขาเวสต์ันดอร์ให้ช้างชาวเมืองรักทั้งเมืองเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเมืองอื่นเมืองอื่นเกิดความขัดสนยากจนขอให้เออนเอาให้ไปเลยต่อมาถูกประทวบเน้อถูกประท่วงก็จะขับไล่เอาแต่ร า, าชามันลังนะท่านมันจะเคลืนตอนนั้นท่านใครกวนมันยังไม่หยิบใจนะั้นจะให้ต่อเห็นไหมท่านจะให้ ท่านบอกว่าไม่ท่านบอกว่าร่างรลัราชบรรลังย์ังให้ได้เอใช่ไหมเดี๋ยววันเดชักเลยราชบรรลังย์ก็ได้หรือนอกจากราชบรรลัง์นั้ถ้าใครปรารถนาดวงตามาควักดวงตาปรารถนาหูมาเอาใบหูมาปรารถนาตจมูกเอากูจมูกปรารถนาแขนตัดแขนไปปรารถนาท่อนไหนของร่างกายเฉียนเาไปแม้ปรารถนาหัวใจเราอยู่ควาคือให้ชีวิตอะ คือคืออย่างนี้ที่มันถึงปราหมดปีติแล้วเกิดความท่องใสยเยอะนีพ่พิจารณ น, นี่ไงเพราะพระทีท่านท่านให้ได้ระดับยยาาา อ, อย่างนี้ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาว่โอ้โหให้อย่างไงเนี่ยในในลักษณะนี้คือว่าสิ่งที่ท่านให้นั้นเนี่ยเพราะว่าการให้อย่างนี้นี่แหละที่ว่าผูกสัตว์ผูกใจสัตว์ไว้ในท่านใดด้วย คนให้ในระดับเนี้ยถึงจะ ก, กล่าวในลักษณะไหนเราเราก็เชื่อกันใช่ไหมเราก็เชื่อเนี่ยเป็นไปในลักษณะเขาจะเป็นลำลำลำดับประการที่บอกว่าทานเนี้ยท่านบอกว่ า, ท, า, ว า, ท, าทําได้ง่ายท่านจึงกล่าวทานไว้ในเป็นเบื้องตน้นแล้วความบริสุทธิ์ของผู้ให้และผู้รับมีได้ด้วยศีลนะท่า น, นก็กล่าวการอนุเคราะห์ผู้อื่นแล้วกล่าวการไม่เดิมเนินการการไม่เบียดเบียนผู้อื่น การกล่าวสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นต้นแล้วก็กล่าวเหตุหงโคขาสมบัติแล้วก็ภาวะสมบัติเป็นต้นแหล่านี้ในลําดับต่อจาก ท, าทาก่านท้านจึงกล่าวสิ่งก็ไว้เป็นต้นอะไรนี้อันนี้ก็เป็นลําดับทีนี้ในลําดับต่างๆนี้อาตมาก็จะไม่ไม่ไม่ไล่ไปทางนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเลยนะอาตมามองมองดูรนะหว่างการเนี่ยก็ก็จะเลยไปตามลําดับนี่ยอาจจะขาดขั้นตอนไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนะี่ย คือต้องการจะวิ่งไปดูไม่ใช่ใช้คำว่าลี่สืบคนก็ไปหาในเรื่องของการให้ทานของรบริ ษ, ษัทสรุปแล้วหลังจากที่ท่านได้บ่งเพนนะได้บ่งเพญเกีเ่ยวกับเรื่องพิจารณาพุทธกาลกรรมฐานเส็จเสร็จแล้วเนะี่ยที่ทำได้แล้วพุทธวิญญาณก่อนที่บอกว่าบุคคลที่จะได้พุ ท, วพทธวิญญาณก็ดังที่ได้กล่าวก็คือมนุษย์สตังลิงกสัมปติเหตูสัทธาราธาัตนังปปัชาคุณสัมปติอธิการุจฉันตะตาอัฏ ธ, ธรรมัสโมธานาอภิ นีฮารอสมิชตีได้บอกว่าความสําเร็จในการประชุมพร้อมด้วยองค์8ประการนะในการที่เจได้รับพุทธภรรยาในการจะเป็นผท้ได้จานะหนึ่งความเป็นมนุษย์ประการที่2มาก็ถึงพร้อมด้วยเพศประการที่3ามก็เหตุแล้วก็ประการที่4คือการเห็นพระบรมศาสดนะประการที่5คือบัณบัพพชาประการที่6ก็คือถึงพร้อมด้วยคุณ7จิกาละประการที่8ก็คือมีฉันทะฉันทะในที่นั้นต้องประกอบด้วย ตัวกรรมิยตาฉันทะด้วยนะเป็นฉันทะที่มีกําลังอย่างยิ่เป็นต้นแล้วท่านบอกว่าเราข้ามได้แล้วจะพึงให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นแล้วด้วยเราฝึกแล้วจะให้สัตว์อื่นฝึกได้ด้วยเราสงบแล้วจะให้สัตว์อื่นสงบแล้วด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้สัตว์อื่นปรินิพานแลด้วยเราบริสุทธิ์แล้วพึงให้สัตว์อื่นบริสุทธิ์ด้วย เราตัดสรู้แล้วจะพึงให้สัตว์อื่นตัดสรู้ด้วยอันนั้นท่านไปไข่ควรพิจารณาในการตึกการวิจัยการไข้ควรนะว่าคนเช่นท่านน่ะถ้าจะได้ตัดสรู้ก็ดีได้หายใจคล่องได้ปริญิพานได้ตัดสรู้ได้ทำตนเองให้บริสุทธิ์ก็จะต้องคิดถึงบุคคลอื่นด้วยไม่ใช่ว่าตนเองตัดสรู้ไปคนเดียวบริสุทธิ์คนเดียวข้าได้คนเดียวใช่ไหมท่านไม่ได้คิดอย่างนั้น เราอย่างท่านเนี่ยถ้าจะไปก็จะดึงบุคคลอื่นให้ไปด้วยถ้าจะบริสุทธ์ก็จะทำให้บุคคลอื่นบริสุทธ์ด้วยฉะนั้นกิจรณนาตรงนี้นี่แหละก็จะได้เห็นคุณของพระบรมาศาสดาว่าเป็นผู้มีคุณมากมีอุปการะมากแกเราทั้งหลายฉะนั้นปัจจัยแกบรารมีทั้งพวงด้งวยความไม่แตกต่างกันนะแต่ในวรรความสำเร็จก็คือปัญญาเนี่ยสติอุ ป, ปัฏฐานาการสามาทาน การอธิษฐานของบา ร, รมีทั้งหลายสูงขึ้นไปกพราความเป็นไปแห่งพิเหนหาหนึ่งปัจจัยย่อมกี่มีแต่พระมาหาบุรุษทั้งหลายในธรรมะสโมโอทางแปดประการนั่นนะ่ะการถึงในแปดประการใ น, นการเป็นมนุษย์เนี่ยนะการมนุษย์ก็หมายความว่า น, นอกเป็นมนุษย์ชาติก็คือการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะบุคคลที่ดำรงอยู่ในชาติอื่นนะไม่ว่าจะเป็นชาติเทวดาชาตินาคชาติครุฑเนี่ยย่อมสําเร็จเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าไม่ได้ เพราะไม่สมควรแก่ความเป็นพระเจ้าฉะนั้นอยู่ต่อหน้าพวกพุทธเจ้านั้นก็ต้องมีอัตภาพเป็นมนุษย์นะถึงจะได้รับพุทธญาณก่อนนะนั้นเป็นความพร้อมประการแรกประการที่2ถึงพร้อมใยเพศนะการถึงพร้อมด้วยเพศะปฏิธานเนะี่ยเป็นสตรีเป็นกระเทยอุปโตภัานชนะกาเนะี่ยไม่สามารถจะจ ะ, จะได้รับพุทธญากรอนนะในการเป็นมนุษย์ชาตินะั้นสําเร็จได้นะ ก็เหตุตามที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วไม่มีความสำควนแต่ความเป็นพระเจ้าและความมีความบริบูรณ์อย่างลักษณะด้วยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนวิกษุท์ทั้งหลายสตรีพึงเป็นพระรานแต่สามมาสมุทรเจ้านั้นข้อนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสไม่ที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นความปรารถนาจากไม่สําเร็จแก่มนุษย์จะต้องสําจักไม่สําเร็จแก่มนุษย์ชาติทู้ตั้งอยู่ในเพศสตรีหรือเพศกระเทยเป็นต้นนะสรุปก็สรุปก็คือว่า คนที่จะเป็นผู้เจ้าเนี่ยหนึ่งเป็นมนุษย์ใช่ไหมสองต้องอะไรถึงพร้อมด้วยเพศ <c oughs> ถึงพร้อมด้เพศก็คือเป็นบุรุษเพกเนี่ยแล้วกัประการที่สามก็คือเฮตูได้แก่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยความเป็นป้าฐานได้สัมมาถามว่าความเป็นป้าฐานเนี่ยเฮตุูเฮตูต ร, ตรงตรงนั้นเลยนะ สามารถที่จะบรรลุเป็นพาระานเหมือนสุมเมธาบันติษุเมาธาดาบทตรสุเมธ า, าดาบทตรบประชากล่าบแทบบาดมูลของพระบรมศาสตาทีบังกอนเนี่ยเป็นผู้สามารถที่จะบรรลุเป็นพาระานโดยอัตภาพนั่นนั้นคือฟังคาถาจบเนี่ยนะก็บรรลุเป็นพระานเนี่ยแท้ที่จริงท่า น, นกล่าวเนะี่ยว่าถ้าเป็นปัญญาปัญญาทิฏกะเนี่ยฟังไม่จบบขาดคาถาก็ไม่รู้ไม่ต้องสิ้นสบาดคาถาละ เพียงแค่สองบาทค้าพระพาร์ถาก็ไปรู้แล้วการเห็นพระบรมสารดาการเห็นเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพิหารเป็นคำลบต่อไปนะไม่สําเร็จโดยประการอื่นนะชนะสุเมธาบัณฑิตเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าพระนามวิธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพรกก็ตั้งจิตปรารถนาดงนั้นความปรารถนาเนี่ยในสํานักของพระพุทธเจ้าที่ยังรงไปชนอยู่เท่านั้น ถ้าไปปรารถนา ต, นต่อต้นเสื้อสีมาร์โคก็ไม่ได้ใช่ไเพราะพุทธโลกนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าปรารถนาได้แต่ยังไม่รับพุธทธยากรยังหาความแน่นอนไม่ได้ส่วนบนรรพชากัความเป็นอนาคาริศเนี่ยเป็นอนาคาริกนนาารก็ย่อมสมควรในพุทธศาสนาอนี้ก็ดารบทเนี่ยปริพาโชคทั้งหลายเนี่ยที่จะสามารถเป็นได้ก็ต้องเป็นกลุ่มกรรมวาธีกิริยวาทนะีเหมือนอยาสุมเมฆธาบันติถ้าจะเป็นเป็นนักบวชหรือเป็น สามารถที่จะตั้งจิต ป, ปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและมีโอกาสได้รับพุทธวิญญาณเป็นต้นประการต่อมาคือถึงพร้อมด้วยคุณการได้เห็นเฉพาะซึ่งคุณธรรมมีฌามเป็นต้นบุคคลแม้บรรพชาแล้วถึงพร้อมด้วยคุณเท่านั้นนะย่อมไม่ต้องถึงพร้อมด้วยคุณถ้าไม่ถึงพร้อมด้วยคุณในที่นั้นก็คือต้องได้ปิญญาต้องได้สมาบัติแปเพราะอะไรเพราะจะได้เป็นปัจจัยในการระลึกถ้ามันจะไประลึกบา ร, รมียังไง ถ้าไม่มีอริย ญ, ญาใช่ไหมถ้าไม่มีสมาบัติถามว่าอถ้าไม่สามารถมีปุเพนิวาสานุสติยาณจะลึกถึงขันธของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญมาได้ไหมก็ระลึกไม่ได้ยิ่งไว่นี้ต้องมีเพราะท่านต้องไม่นั่งคิดเองเนะี่ยต้องไปคิดบารมีอธิการละกิเลสการกระทําที่ยิ่งเนี่ยบริจาคอภินิหารก็คือแก่ บ, บุคคลผู้มีการถามว่ายิ่งขนาดไหนบริจาคชีวิต ให้กับพระพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชาที่ท่านบริจาคชีวิตที่ตั้งปณิธานที่สุเมธาดาวบดท่านท่านตั้งปณิธานอ่ะอการวิตกวานามังพุทโธสหสิษฐิหิงคัจจโตมานังการังอกักกุกมิตธกมิถาทิตายเมภวิสติเนี่ยในคำีพุทธวงศขอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหลาย จงเหยียบข้าพระองค์แล้วก็เสด็จดำเนินไปเถอดอย่าได้เหยียบเปือกตมนั้นเลยการกระทําอย่างยิ่งนี้จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลูลแก่ข้าพระองค์นี่ไหมบอกว่าเหยียบเพื่ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาถวายชีวิตเป็นท่านแล้วขอให้เหยียบข้าพระองค์เลยอย่าให้พระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าสี่แสนรูปเนี่ยเหยียบเปลือกตมเหยียบฝุ่นเหยียบดินแล้วเนี่ยเหยียบหลังก็ไปยาวเลย แม่เราเจ๊สักยี่สิบคนเองเจ๊สักยี่สบคนเราไม่ไหวนะล้กขึ้นมาปุ๊บถ้าเป๊ะเขาเหยียบแรงๆกดไอ้มาชอบยกตัวอย่างเลยนะที่ว่าเป็นพยาบาลใช่ไหมเป็นพยาบาลวันที่ช่วยลูกน้องดอดจากต้นไม้ต้นนึงแล้วไปแล้วก็ไ ป, วปหวายมัดเอยวแล้วโดดกลับมาคำนวนผิดหวายสั้นไปนิดนึง คว้าติดต้นไม้แล้วก็ยึดเหนีน่ยวกายให้ตรงไว้บนแต่กนบอกบริวารบอก้รีบ่วิ่งข้าแต่ละคนพอมาถึงปับ๊บก็ทาความกับรถนั้นกราบขอเข้ามาถึงไม่กล้าข้ามที่ะก็จะเกียรตะกายนีน ไ, ไปี้ก็มีลิงผ่านต้นหนึ่งมาอย่างนั้น ว, วิ่งขึ้นข้าบนไม่ได้ขอโทษจย่งเี้วิ่งขึ้นข้าบน กระโดดสุดแรงแล้วก็เยียบที่หลังเลยกระดูกก็เคลื่อนท่านบอกใตใจท่านแตกสลาแต่ความอดทนไม่แตกยังไม่แตกสลาถามว่าไอตัวขันติบารมีเนี่ยใช่ไหมเพื่อขันติบารมีเนี่ยที่จะสร้างได้เนี่ยมันจะต้องมีอารมณนปะปัจจัยเกื้อกูลขันติใช่ อะเรามาณปัจเจียที่จะเกื้อตุคูณขันตินั้นมันต้องมันต้องอย่างนี้ประเภททีคนกระโดดใส่แรงๆนี้จนถึงชีวิตไม่ต้องถ้าโรคภัยใคร่เบียดเบียนก็จะต้องเบียดเบียนประเภทที่อย่างแรงเลยก็ะแทกมาแรงหนึงกำภายในนี่นะยิ่งถึงจะวัดขันติใช่ไหมใช่ไม่มีใครตอบว่าใช่เลย <c oughs> ว่าเป็นแง่จริงๆนะใช่ไหมถามว่าถ้ามีคนมาปัทุสล้ายมาเบียดเบียนมาตัดหูใช่ไหมมาตัดจมูกมาตัดมือมาตัดเท้ามาใช้สว่านเจาะค่อยๆเจาะเข้าไปเนี้ยเราจะโกรธเขาหรือจะเราจะโกรธเขาหรือเราจะขอบคุณเขากดหรือขอบคุณ ขอบคุณครับที่ทําให้คันติบา ร, รมีเราเต็มคือถามว่าเขามีอุปการละผลไหมามองในฐานะอุปนิสัยปัจจัยเขาทําบาปนะแตถามว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ขันติไหมคันติของพระโพธิสัต์เกิดร่วมกับกุศลหรือเกิดร่วมกับโทศ ถ้าขันติของเราเกิดร่วมกับปุสวริทศเห็นั้มจะต่างกันเลยเนี่ยไม่เรียกขันติไม่เรียกว่าบารมีเพราะขันติบารมีนั้นต้องไม่มีตัณหามานะที่ถี่เข้าแท้และก็ต้องไม่มีพวกโทสะอิสาเมชริยะกุกุกุจาเข้าแท้เราจะเห็นว่าเห็นไหมขันติขันติของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านเจอเหตุการณ์ในลักษณะอย่างเนี้ย เหมือนต่อไปเวล า, าไปวิจัยเรื่องทานนี่นะถ้าต่อไปจะวิจัยวิจัยเรื่องทา น, นบารมีให้ดูแล้วเราจะเห็นว่าการให้ทานของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเวลาให้เนี่ยท่านขอบคุณผู้รับถ้าไม่มีผู้รับเนี่ยทานบารมีของท่านจับไม่เต็มเนี่ยเห็นไหมท่านจะขอบคุณผู้รับแล้วก็ในกรณีเดี๋ยวท่านก็จะไปวิจัยวินัยตามบรรดาผู้ผู้รับท่านบอกความรับอย่างไง ผู้รับเก็บทรัพไว้ให้อย่างไางนะทรัพที่มันอยู่ในปัจจุบันมันไม่มีความถาวร อ, อย่างไงมันต้องถูกราชภัยโจรภัยอัคคีภัยทกภัยโจรภัยมาเบียดเบียนแต่ถ้าหากเอาไปฝังไว้หรือไปฝากไว้กับบุคคลอื่นเสร็จซรัพเหล่านี้มันติดตามไปในสัมปร이ยัพบอย่างไางเดานจะวิใจัยให้ดแม้บรารมีทุกบรารมีเนี่ยถ้าหากไม่มีอารมณ์แรงแรงอย่างนั้นมาเบียดเบียนกระแสขันแล้วขันติจะเพิ่มได้อย่างไง แล้วมียังไงมันอยู่เฉยๆมันเพิ่มขึ้นมาได้ไหมถ้าไม่มีปัจจัยมาเกื้อหนุนจะจะทําให้เกิดนั่นมันจะต้องมีสิ่งเหล่า น, นี้มาทําให้นั่นใช่ไหมมันถึงจะเพิ่มแต่นี่บารมีต้องเป็นไปนแน่ไหมแต่ต้องทนไหมต้องทนท่านถึงวางออกมาไม่ถ้าปรารถนาถามว่าปรารถนาจะเป็นพระเจ้าไหมอย่างในกรณี ก, กตุกกรรมยตาฉันทะนี่ยประการสุดท้ายนี่ชัดคือฉันทะที่เป็นไป ที่มีความปรารถนาในการที่จะกระทําไม่ใช่ฉันทาธรรมดานีคือฉันทาความเป็นผู้ปรารถนาเพื่อกระทําของบุคคลผู้มีเป็นธรรมที่มีกําลังมากไม่ใช่ฉันทาอย่างธรรมดาธรรมดาถ้าฉันทาแบบธรรมดาความปรารถนาอย่างธรรมดาเนี่ยก็เป็นการปรารถนาเพื่อจะหยิ่งยกตัวอย่างเช่ชนเราปรารถนาจะทําธุรกิจการงานเนี่ยอันนี้เป็นความปรารถนาธรรมดาไม่ได้ว่ากัดตุกามิยตาฉันทา ถกตุกมยตาฉันทานั้นเป็นฉันทาที่เกิดร่วมกับธรรมะที่มีกําลังมันเกิดร่วมกับอะไรฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสามันเกิดร่วมกับอะไรบ้างไเกิดร่วมกับพระทั้งหลายเกิดร่วมกันเป็นอินทรีย์ทั้งหลายเกิดร่วมกับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นใหญ่ที่เป็นพระที่มีกําลังใช่ไหม ถ้มีเป็นใหญ่เ ป, เป็นกําลังก็แปลว่าถูกบ่มดูพ่อถูกการใคร่ครวญถูกการสั่งสมมาอย่างดีแล้วในการที่จะคิดความคิดความอ่านในการกระทํานั้นจึงมีกําลังมากถามถ้าจะดูหนังสือธรรมะเนี่ยดูหนังสือธรรมะเพื่อแค่เกิดความเข้าใจที่ใดเป็นปัจจัยการบ่มเพาะบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วตั้งอัธยาศัยถูกทำถูกทำอย่างนี้ลองคิดดูฉันท่าเขจะแรงหรือประพฤติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่อันนี้ถ้าบอกว่า ถ้าบางคนพึ่งกล่าวบอกว่าใครเล่าหมกไหมอยู่ในนรกตลอดเสียสงขั ย, ยิ่งด้วยแสงกับแล้วย่อมปราถนาเป็นพระเจ้าได้เนี่ยถ้าจะยินอย่างนี้แล้วท่านจะยกมือบอกใคาพระเจ้าเนี่ยปราถน า, น า, นาถ้าบอกให้ไปตกในเวทีมหานรกนะให้ไปตกเลยบอกว่าเสียสงขัยยิ่งด้วยแสงมหากรรมแสงเนี่ยมหากรรมนะด้วยแสงกรร ต้องใช้คำว่าหมากับเพราะเป็นชื่อของหมากับแตกน่กไปเลขหนึ่งตามใ้เลขศูนร้อยสี่สิบตัวใช่ไหมแสนหมากับถามว่าใครยอมมกไห ม, อ, มอยู่ในในรกได้เท่านี้เป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านจะยกมือเดี๋นี้บอกข้าพรเจ้านี่แหละถามพวกเรา ถ้าเป็นตกเงนลกขนาดนั้นต้องคิดเรื่องกลับให้ถูกก่อนนะก่อนจะไปตกนะใช่ไหมห้าวันกระจายจะขาดไม่กวน5วันกระจายจะกลัก็ตามว่าบางคนเนี่ยวันก่อนนั่งมาเร็วเอาเอาโยมมณีทาเป็นเวลายอยกตัวอย่างได้ยินก็ไ <mentation> ม่กลัวก็บอกว่าจะผ่าตัด เวลาจะผ่าตัดนิดเดียวก็ก็ก ก, กลัวให้เขาวางยาดีกวา่าก็เห็นไหมก็ผ่าตัดนิดเดียวเังกลัวแล้วผ่าตัดนิดเดียวก็กลัวนะต้องต้องวางยาต้องวางยาสลบถ้าผ่าแบบไม่ต้องวางยาไม่ต้องฉีดยาชาเนี่ยเคยแล้วก็ น, นั่งคุยกับหมอเฉยเลยได้นะท่านจิตใจอย่างงี้ใช่ไหม ถ, ถึงจะกล้าเป็นพระเจ้าจะต้องมากกว่า น, นี้ด้วยนะอันนี้ที่ยกตัวอยา่างยกตัวอยา่างท่านต้องบอกว่าไปหมกไหมในนรกนะ่ยตลอดเสียสงขายิ่งโดยแสนกลับจะเป็นพระเจ้าได้ก็ต้ยกเหมือนว่านิท่านปรารถนาท่านจะเป็นที่ท่านจะเป็นนะ่ยไม่ใช่ปรารถนาด้วยตัณหาเนะยคนปรารถนาแบบเนี้ยต้องปรารถนาได้ปัญญาด้วยกรุณาถ้ามีปัญญาอย่างเดียวเนะี้ก็ไม่เอากรุณาน้อยไม่ยอมต้องสงสารคนอื่นจริงๆ เอาทำไมจึงสงสรารคนอื่นจริงๆถ้าไม่มีเราปรารถนายอมทุกทรมานเสียสงขา ย, ยิ่งโดยแสนกลับนะแล้วคนอื่นจะต้องหมกไหมอีกนานกว่าเรานักหนาพอคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็เลยตั้งจิตปรารถนายอมหมกไหมซะเองเลยยอมสร้างบารมียอมเหน็ดเนื่อยอมทุกยอมยากยอมลําบากทุกอย่างเมื่อตนเองยากลาบากเบ็ดเสร็จแล้วได้คุณธรรมระดับสูงส่งเลยนะ ก็เอาสิ่งต่างๆเหล่ า, านั้นเมื่อทราบอัตฉรยะสัยของศาสตรได้อย่างวิจิตพิสดารเบ็ดเสร็จแล้วเนะี่ยก็เอาวิธีการคำสอนที่ตนเองทราบอัตฉรยะสัยของเราศาสตร์นั้นสอนเราศาสตรให้ถูกกับอัจฉรยะสัยนั้นๆนะนี่เป็นไปลักษณะนี้ในกรณีอย่างนี้ก็เรียกว่าฉันทะคือความปรางดงาที่แรงมาก ถ้าปรารถนาแบบนี้นะเป็นจันตาที่เกิดร่วมกับกุศลที่มีกําลังมากแน่นอนที่สุดก็คือมหากุศลดวงแรกและในดวงแรกเป็นดวงพิเศษด้วยพิเศษถึงขนาดว่ามีสภาวะธรรมที่เกิดร่วมมีกําลังทุกตัวเลยที่ประกอบทั้งหมดมีกําลังหมดเลยถูกปัจจัยเสริมส่งอย่างยาวนานแล้วด้วยแต่ว่าเพราะเพราะปัจจัยมามาสิบหกปสงไข่ใช่ไหมเพราะว่าสิบหกประสงค์ไข่จึงได้มาได้รับ พุทธวิญญากรแต่ก่อนหน้านั้นก็คิดแบบนี้ทั้งหมดเลคิดมาอย่างนี้แล้วก็แปลงวาจายอย่างนี้แล้วปราถนาพอปราถนาสร้างบา ร, รมีเนี่ยไอ้ปราถนาเป็นพระเจ้าเนี่ยก็แปลว่าปรารถนาสมาทานบา ร, รมีทุกบา ร, รมีทั้งอุปปา ร, รมีและปารมิทธาบา ร, รมีโดยสามสิทัตนี่นะต้องทําให้ครบต้องทําให้เต็มเมื่อเต็มเบ็เสร็จก็ระยะเวลาต้องรอไปจนจนเต็มเวลาได้วถึงจะเป็นอย่างนี้นะ แตลว่าต้องทําให้บริบูรณ์นี้ทีนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าบางคนเนี่ยตากหนาปัจเจก้กเพราะที่ยาก็ลดลงมานะถ้าสาววอกโพธิยานก็ลดลงมาทีนี้ในระหว่างลดลงมาแต่ไม่ใช่ลดบา ร, รมีนะบอกโอ้ยถ้าเป็นสาววกนี่บา ร, รมีเหลือห้าไอ้ไม่ใช่เราเล่นลดเองไงเนี่ ย, ยแล้วอยากคนทุกเนี่ย อย่าไปลดจํานวนบรารมีแต่ให้ลดความเข้มข้นของบรารมีได้แต่อย่าไปลดมากมางคนลดจะปี๊บหมดเลยลดจะจนโหบางคนบอกําไม่นะทานไม่ต้องก็ได้เราเรียนธรรมะชั้นสูงเลยทานไปหมดแล้วฟังธรรมะนี่สูงกว่าทานบรารมีอย่าไปคล่องแว่เลยกนระท น, นี่ศึกษาทานไม่ดีนะถามว่าทานนบรารมีทานในกุศลเนี่ย เป็นปัจจัยเกี่ยวกบารระลึบรรลุได้ไจากานุสตินะเห็นไหมจากานุสติเป็นอนุสติได้อุปจารสมาธิอุปจาระสมาธิเป็นฐานการเจริญวิปัสสนาและบรรลุได้อีกไม่รู้เท่าไหร่<ะ>เห็นไหมบารมีทุกบารมีเนะี่ยใช้เป็นปัจจัยเกี่การที่จะพอกคุมกุศลชั้นสูงฉะนั้นจะลดความเข้มข้นได้แต่อย่าลดมาก ใช่ไหมเมื่อใช่ว่าอุยขันตีไม่เอาที่มันพูดถึงขันตินแล้วเป็ไล่ตามลำดับฉะนั้นสันทาความปรารถนาก็จะเป็นผู้ไเจ้าเนี่ยถ้าถามอีกเ็บอีกอหนึ่งท่านบอกว่าเหยียบในจักรวาล เ, เต็มไปด้วยฐานเพลิงใช่ไหมจักรวาลเนี่ยมีหลุมฐานเพลิงเต็มไปหมดบอกว่าใครเราเหยียบแล้วลุยค่อยๆทีละเก้าทีละเก้า้าๆไปได้ถึงฝันนู้นเนี่ยกล้าไหมถ้ากล้าก็เป็นพู้ไเจ้าได้ท่านก็บอกท่านลุยข้าม ไ, ได้ แล้วท่านก็บอกว่าเรียวน้ำเรียวไผ่ที่เต็มไปด้วยจักรวาลหมดเลยนะโอ้โหถ้าใครไม่เคยถามกอไผ่เนี่ยไม่รู้ความเจ็บฝวดของของ น, น้ําไผ่เหมือนกอกอามานี่อยู่ตามป่าตามดงเนี่ยถามไม่ไผ่กอเดียวเนี่ยมีดคมๆเนี่ยนะมีดดาบมีดหวดคมๆแล้วเนี่ยมีดยาวๆในการที่จะไปตัดนี่นะวันหนึ่งนะตัดนม่ไดไม่หมดหรอกคมจริงๆ เฉพาะแขนงไผ่มันนี่แบหนามากเหนียวมากถามว่าถ้าเอาเรียวไผ่้นามไผ่แบบหนาๆยาวๆอย่างนั้นะะมาเรียงเต็มไปหมดเลยห้องจักรวาลเนี่ยเราก็แหวกไปแหวกไปนะใช้ตัวแหวกไ ป, เ, ไป เ, เกี่ยวไปหนามเอยเลยเกี่ยวทั้งใส่ทั้งอะไรทั้งเลือดตา่างๆทะลักไหลออกมาเนี่ยนะ น, น่จนทลุ ข, ขอบจักรวาล น, นี่นะถามว่าไหวไเท่าไห ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านบอกไว้เนี่ยการคิดใรนราษฎะอย่างเนี้ยอันนี้แค่คิดนนเนี่ยเนเรามึาคิอย่างนี้คว่ามันไม่ค่อยสต๊สอสานเลยใช่ไหมแล้วนหนาผายสักข้าหอันมาวางเขาไว้แล้วท้าเป่าอยูเจอหนาเดียวกันนั้นร้องแล้วก็นั่งหดอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไเนี่ยถ้าถ้าถ้ามองอย่างนี้เขาเรียกวัานั่นแหละก็คือ ท่านมาพิจารณาอย่างนี้แล้วต่อมาท่านก็นมาพิจารณาพุทธการและก็ทำ ถ, ถึงต้ น, ท, น, นาาท่ น, นะนันนน้นในอัธยาศัยของท่านเนี่ยนะมาสรุปตรงนี้ท่านก็มาพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วท่านก่อในอัตยาศัยของท่านหลังจากที่ท่ได้รับพุทธบุญก่อนแล้วก็ท่านในเกิดนะแม่ไปเกิดอาภัพพ า, าสันั่นจำพวกอันนี้ก็ไม่ต้องไปลไปล่ไปละเดียวเสียเวลาในการไล่ดูอัตยาศัยของท่านก็คือ6ประการก็คือว่าอัธยาศัยในการบ่มพอ่อโพธิญาณของท่านก็คือเนคขมัชาสยั อัธยาศัยในเนคขมมะที่แก่มีปกติเห็นโทษในการทั้งหลายฉะนั้นบอกว่าเห็นโทษในการเนี่ยในวัตถุการมในท่านเห็นโทษมากอัตยาสัยในเนคขมมะเนคขมัะชาสยาของท่านเนรุนแรงมากทุกภพทุกชาติก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นการที่ท่านเห็นโทษในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเหมาะแก่การที่ท่านจะปั้นปลายชีวิตให้สังเกงตุนะถ้าท่านเห็นเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่จะออก จากวัตถุกรรมในท่านออกดันดีแล้วใจท่างหนักนันมาเพราะอะไรท่านเห็นพบทั้งหลายเนป็นดุจดังไฟไหม้วินโดนี้นเหมือนอยู่ในเรือนจำอ่ะเหมือนอยู่ในเรือนจําส่วนปริเวกัสชาสยะก็คืออัจาศัยในปริเวก็หมายความว่ามีปกติเห็นโทษในการคุกขี่ในบุคคณนัดอโลพาชยาสยะก็คือว่าอัจาศัยในความไม่โลภในความไม่โลภเนี่ยเห็นโทษในโลภะเห็นโทษในการติดในการยึด อโธสัจชาสากกัญญาคืออัจิยาศัยในไม่โกรธคือเห็นโทษในโทสามะบอกโอ่าโทสามะนี่เป็นตัวทําลายศีลทําลายคติเป็นต้นอโมหะหัตชาสยะ ก, ก็คืออัจิยาศายในความไม่รู้ในความไม่รูมีปกติเห็นโทษของโมหะบอกอวิชชาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปิดนะปิดความไม่รู้ในทุกสมุทัยนิโรดมะไม่รู้ในขาญญาันนัยเจตนาท่าที่เป็นอดีตไม่รู้ในขาญญาันนัยเจตนาท่าที่เป็นอนาคตเนี่ย ไม่รู้ในขันธ์อายตนะธาตุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทมีโทษมากท่านบอกท่านจะมีอัจฉริยในในปัญญามานกน้องไปในปัญญามากนิสรณัตชาสยะคืออัจฉริยะในความสลัดออกคือมีปกติเห็นพบเหมือนไฟไหม้เด็กที่เด็กอ่ะนั่นอัตฉริยะหกประเภทนี้ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่บารมีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นใน6ประการนี้นะจะเป็นอุปการะอะไรอุปการะทานบารมีทางบารมีรมอัจฉิยะ เรีกทานทานัชชาสยะอัธยาศัยในทานในสูงอะสีรัชชาสยะอัธยาศัยในสีถามว่ารักษาสีเห็นได้ยินคำว่ากุศลสีนะมันตื่นเต้นไหมวันรักษาสีตื่นเต้นไหมเนี่ยวันนั้เอางี้นะลองเราแค่ไม่ก็มานั่งชันข้าวใช้บาตร ข้าวใส่ในบาทรเนะี่ยรับบาตรับอาหารมาไปเสร็จแล้วอาหารประสมเข้าไปแล้วก็ล้อตักชัมใชะไหมเจ้าบาตเป็นเจดีย์ยังนั่คิ ด, ดอยู่นนี้โอ้โหสมบัติที่พระเจ้ทาทรงพระราชทานหเออจงสมป ร, ร า, ารมิ์มาให้คือคือบริขารเนี่ยที่หล่อเลี้ยงอัตภาพเราให้มีสามารถมีชีวิตได้อย่างปลอดโปร่งได้เป็นอิสระได้โล่งในเบา ไม่ต้องมีภาระอย่างอื่นที่จะต้องไปแบบลบทำให้กุศลเดินไปคล่องไได้เสะเดวกิ่าู ด, ดีถามจะสุขขนาดนชีวิตที่เราอยู่กับอัตถาบริขามันก็มีความสุขนั่งอยู่คนเดียวมีตึกไขครนเป็นให้ใจเป็นแปกับกุศลน้อมระลึกถึงคุณของพระเจ้าแล้วก็ฉันอาหารอย็นละมาระวังเพราะอาหารทุท๊บ ความที่ฉันก็ไปแล้วแสวงหามาได้ดวยดยความบริสุทธิ์ใช่ได้วยการสวงหาโดยโดยโดยไม่ไดยไม่โดยการทุสร้ายตะกูลความสุขก็จะเกิดทีนี้ไอพูดอย่างเนี้ยต้องไปทาแล้วต้องไปนึกแลจะจะจะมีความสุขเกิดเรชีวิตใครลงมาได้สัมผัสชีวิตนี้มีความสุขเบาโปรงเป็นอิสระเป็นอิสระ ไม่ต้องมีพาละแต่มีโอกาสในการที่จะเพบะหูมุสมได้อย่างเต็มที่นี่เนี่ยชีวิตบองนี่เนี่ยเรียกว่ามุสมเดินเด็กฮ่องนี่คือคืออัตฉิยาศัยเกี่ยวในเรื่องอาาของเนคคำะอัตฉิยาสัยในเนคคำะคืออัจฉิยาศัยในสีแล้วก็เนคคำะมัตชาสยะอัจฉิยาสัยในเนคคำะยะถาภูดิยานัชาสยะก็คืออัจฉิยาสัยในการรู้ตามความจริงก็ง่ายขึ้นแล้วก็วิริยชาสยะก็ อัจฉริยใสมูลยัคือเป็นอัยารัยะใของท่านคําว่าอัจิยะใสเนี่ยแปลว่าฝังแน่นเลยนะทุกพบทุกชาติมันติดแน่นไปนหมดนะอัจฉริยะใสคือบารมีธรรมเหล่านี้ฝังแน่นติดแน่นในกระแสขันบรมโพนิสัตไปทุกภพทุกชาติเวลาท่านจะได้ยินหรือไม่ได้ยินอัจิยะใสนี่มันเนี่ยคือชาวนะของท่านเสพคุณกอัจฉริยะใสเหล่านี้ขันติขันติ ยตชาสยะคืาออัจิยาศัยในขันติสัจจ์ชาสยะอัจิยาศัยในสัจจ์อธิฐานนชาสยะคืาออัิยาศัยในการตั้งจงิตมั่นเมตตาชาสยะก็คือว่าอาัจิยาสัยในเมตตาแล้วก็อุเบกข์ชาสยะก็คืออัจิยาสัย ใ, าาสในการวางใจเป็นกลางในอุเบขานะอาัจฉยาศัยทั้งหลายมีฐานเป็นต้นเหล่า น, นี้ความเป็นผู้มีอัจฉยาศัยในฐานเป็นต้นก็เหมือนอย่างอาัจฉยาศัย6ประการเนี่ยเป็นปัจจัยเกี่ยบารมีทั้งหลายมีฐานบารมีเป็นต้นของพระบุตริษัททั้งหลาย ผู้มีผู้มีความประพฤติเพื่ออะไรเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณเนนะี่ยบางคนก็เพื่อปัจเจกโพธิญาณบางคนก็เพื่อสาวกโพธิญาณใช่ไหมอย่างเราท่านทั้งหลายก็มาตั้งออในคำพีเนะี่ยท่านกล่าวไว้นะแม่ไม่ได้ยกลักฐานมาขออ่าความจําดีกว่าท่านบอกว่าถ้าไม่ปราถนาโพธิญาณใดอย่างหนึ่งคน้นทุกไม่ได้ในสมุจยาสังหาร ถ้ายาไม่ดีนะนีต้องปรารถนาจะเอาสัมมาสมโพธิก็ตัดสินใจเสียจะเอาปัเจกับโพธิก็ตัดสินใจวันนี้เสียแล้วก็จะเอาสาวกับโพธิก็ตัดสินใจเสียถ้าไม่นั้นพ้นทุกไม่ได้อจ่ิงๆหมดสิทธิ พ, น พ, น พ, นพน้นทุกต้องตั้งอัจฉยาใสายไว้และและอย่าอย่าสลับบ่อยเราเป <c oughs> ็นห่วเจ้าวพุทเราเนี่ย สลับป่อยเดี๋ยวก็เมื่อวานนี้ยังเป็นไม่เป็นอยู่เมื่อวานรักษาศีอยู่ดีๆวันนี้ทุศีนแ ล, ล้วก็เห็นะเมื่อวานให้ทานอยู่นีวันนี้ตืหนหีมากเลย <Okay. S 1> oh, อย๋อขยพักเลย <c oughs> รู้อะไรเดินก็มา <c oughs> อาจมาจะลองพูดไปเรื่อยๆอยากจะดูว่าใครจะทนฟังพุทธคนของพระเจ้า ทีเรานั่งแข่งก <É. S 2> um ันด like ูแต่ให้ใจเป็นกุศลนะให้ใจเป็นกุศลในการเจริญกุศล่เออเราจะฟังพุทธคุณดูสักทีนะฟังภารณาเอาที่ท่านพูกพูดเหนื่อยเราอะเราเรานั่งนิ่งๆหายใจให้คล่องๆแล้วนั่งสบายเลยดีอาพูดไปเดี๋ยว่าเดี๋ยว่าเหนื่อเดี๋ยวเหนื่ยเด๋ยวท่านก็หยไเลย ใครจะศรัทธามากจะจ้างเลยแต่อยาให้ตระหนามันนะที่ถีแทกเลยให้เป็นไตกตสุดฉะนั้นในอัธยาศัยต่างๆอัธยาศัยในทางวะพอยทสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้มีปกติเห็นโทษในความตณีอันเป็นปฏิบัติต่อทานนั้นก็บําเพนทานนบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบนะอัธยาศัยในศีลก็เป็นผู้มีปกติเห็นโทษในความทุศีนนะก็บังเพนศีนบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบ อัยารัยเป็นผู้ชอบบำเป็ญเนกรรมะก็เห็นโทษในการในวัตถุกรรมในการคลองเรือนเป็นต้นเนี่ยเป็นผู้มีอัตยารัยในการรู้เห็นตามความเป็นจริงคือญาตาโพยญาณทัศนะก็เห็นโทษเขาโมหะเห็นโทษเขาวิจิกิจฉาเพาะเห็โมหะกับวิจิกิจฉานี่โอ้โหมีโทษมากถามว่าโมหะมีโทษ ม, ม, มากไหมวิจิกิจฉามีโทษมากไหมมาไม่ตัดสินใจทักที เนี่ยพยายามตัดสินใจทันทีวิจิตริจาร์เนี่ยลังเลอยู่นั่นแหละจะมา <c oughs> ก็คิดดูดิให้กลับไปนั่งนะับอายุอีกสองรอบน่าจะรู้ว่าจะเหลืออยู่ในโลกใบนี้ ก, กี่วันนะี่ถึงบอกว่าจะได้รีบตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอาประเภทไหนใช่ไหมจะเอาประเภทไหนมันลังเลลังเลกันอยู่ใช่ไหมมันเรื่องวัตถุ ก, กรลมนี่ไม่ตัดไม่ต้องตัดสินใจนานเลยในสองนาทีเรียบร้อยแล้วชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมัน เล้วเซ็นสัญญาตามนั้นด้วยถ้าใคผิดสัญญาฟอ้องลงเลยนี่นะเมืเอขนาดนั้นเลยแต่วลาทางจะตัดสินใจในการที่จะพ้นทุกข์เรือลังเลอะไรเงี้ยวิจิตรฉาไรงมากโมหะวิจิกิจฉาปกติไม่มียะถาภูดีญาณทัศนะก็คือไม่ได้มีปัญญาบา ร, รมีเป็นอัธยาศัยถ้ามีปัญญาบา ร, รมีเป็นอัธยาศนะัยในการตัดสินใจในการที่จะวางราักฐานหวางเป้าหมายในการจะเดินไปสู่ทางก้นทุกข์ง่ายมากถ้ามีปัญญาบา ร, รมีเป็นอัธยาศัยนะ การจะวางเป้าหมายวางแผนผังในการแล้วว่าเราจะเดินยังไงในการที่จะไปพ้นทุกในการข้างหน้านี่ยเป็นการวางแผนชีวิตที่ไม่ยากถ้าอย่างนั้นยากจริงๆประการต่อมาก็คือความเป็นผู้ที่มีอัตยาสายหนึ่งในวิริยะก็เป็นผู้มีปกติเห็นโทษในความเกียดค้างความเป็นผู้มีอัตยาสายในขันตินะความอดทนเป็นต้นเป็นผู้มีปกติเห็นโทษในความไม่มีขันติบอกว่าเปลี่ยนคนไม่มีขันติผู้เห็นโทษเห็นโทษมากเนี่ย พระโพิสัตว์เนี่ยนะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีอภิญญานะท่านเห็นความทุกข์ของอ บ, บายาสัตว์ไหมเห็นไม่เห็นเห็นทุกประเภทหรือในในโลกท่านก็ไปดูได้ฉ้นท่านจะสงสารนะท่านจึงสงสารถ้าอย่างเราเนี่ยไปเห็นอ บ, บายาสัตว์มันกลังทุกข์อรอย่างเงี้ยเราสงสารตัวเองก่อนกัคนอื่นของหลานใครบ่ปัญญาเราจะวิ่งทันทีเลยในชะ่ไหมการุณาเขาจะรีบผลดลแล้จะมาหันา ม, มาการุณาตัวเองมากขึ้น แล้วจะเพิ่มพูณกาลปนาตัวเด้งมากขึ้นเขาลิบเลยไฟไหมเวลาไฟไหมบ้านลิบขนคนอื่นออกก่อนหรือเรียบวิ่งนี้ออกก่อนแค่นี้จริงๆนะมีใครนัที่ออกมาอมา อ, มาอมาตอนนั้เอามาเอามให้ของที่บอกว่าให้ให้เอาทานสองก้อน ไมรู้เอามาได้จริงครือไงีม่ฮเล่มีคนมีโยมมาเล่าอะไรเอามาฟังก็บอกว่าก็เอกฐานสองก้อนวางไว้มันตักตักเพื่อนก็ตักแล้วตัดของใครก่อนด้วยเอามาดูคำขวัญดแปลกนี่มันอย่างนี้อัจฉริยะสายเราการนาง้อการนาง้อตัดใส่เพื่อน นกกเนนี้องแงเพราะพอดิษฐ์ท่านคิดถึงความทุกข์ของผู้นี้เนีย่ยลักษณะนี้ก็เรียกว่าอัตฉริยะสายของขอ ง, ขอ ง, ข, องของเมตตาสัจจะ ก, ก็คือเห็นโทษการพูดเท็จอัตฉริยะสายของพอดิตฐ์ก็คืออธิษฐานก็มีปกติเห็นโทษในความไม่มีอธิษฐานะแล้วก็เมตาก็คือมีอัตฉริยะสายในเมตตาเห็นโทษในภัยบา แล้วอัจฉริยะสายมิเบขาเป็นผู้มีปกติโทษในในโลกธรรมที่มีราบยศเป็นต้นคือคือเห็นโทษเนี่ยมีราบเสืม่มลาบมียศเสื่อมยศเป็นต้นนั้นอัตฉิย า, ายพพศัยคำพ่อที่ศสัตว์นั้นเป็นไปกับบา ร, รมีบา ร, รมีก็อยู่ในอัจฉริยะของท่านท่านผูกบา ร, รมีอยู่ในใจของท่านแล้วก็ผูกสัตว์ไว้ในใจของท่านเวลาท่านทําอะไรท่านสร้างบา ร, รมีทุกบา ร, รมีนั้นก็คือกรุณาบุคคลอยู่ทั้งปัญญาทั้งกรุณาก็จะมีความสมดุลซึ่งกันและกันก็จะเกื้อกูลบา ร, รมีต่างๆอย เป็นต้นอต่อไปช่วงนี้ก็พักกันก็เดี๋ยวได้เวลาทังผู้ดำเนินรายการก็จะเรียกเข้าองประชุมกันนักแสดงขอเชิญเข้ามา20นาทีนะคะประมาณ3โมน20เชิญค่ะ